เญพอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาทมเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านผู้ใดมีความสนใจก็สามารถเชิญเข้ามารับฟังรับชมและถามคำ ถ, ถามได้ เช่นเคยเราก็จะให้เกียรติหนูน้อยก่อนหนูน้อยตัวเล็กๆให้หนูน้อยก็ไปก่อนถ้าคุณแม่ไม่มีหนูน้อยอยาอา่าอ้างเอาหนูน้มาเป็นเหตุให้เพราะว่าคนอื่นเขากจะอยากจะเข้ามาก่อนแต่ไม่เป็นไรก็ไปที่หนูเล็กน้อยก่อนเพื่อนเลย หนูนักคุณนช่ไหมนคุณนักคุณอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจารย์คะวันนี้นคุณยังไม่มาค่าวะวันนี้นคุณทานข้าวอยู่ค่ะ <c oughs> เลยได้ม่ได้ใช่ไหมใ่คะ่ะคุณแม่มีอะไรไหมคะ อ, อ๋ออาทิตย์นี้คะ่ะพระอาจารย์มันมีปัญหาหลายอย่างเข้ามาตอนแรกคิดว่าเราเราฝึกทุกโทรมาพอสมควรคิดว่าจะเอาอยู่ ปรากฏว่าพอเจอปัญหาหลายๆอย่างมาในทีเดียวมันเอาไม่อยู่ก็เลยคิดได้ว่าถ้าเราไม่เร่งปฏิบัติณนฑะตอนนี้แล้วต่อไปถ้าเราทําอะไรไม่ได้แล้วมันจะช่วยเราไม่ได้เลยเพราะมันกดิจให้มากๆเสติให้หยุดใจให้ได้พอพอตอนที่มันมันมีปัญหาเข้ามาในใจของเรามันมันร้อนลุ่มไปหมดเลย ทีนี้การที่เรานั่งพุทโธพุทโธพุทโธนี่มันมทายังไงมันถึงจะให้ก็ อ, อย่าไปอย่าอย่าไปหยุดมันสิทําไมก็อย่าหยุดมันเลยพุทโธไปเรื่อเรื่อยจนกว่ามันจะหยุดถ้ามันไม่หยุดเราก็ไม่ต้องหยุดพุทโธเะมันเหยียบเบรกอะเหยียบเบรกถ้ารถไม่หยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยเรื่อเราขี้เกียจพุทโธกันเพุทโธสองคําแล้วก็อยากจะให้มันหยุดแต่ไม่หยุด ก็คือต้องไปเรื่อยๆตลอดอ่ต้องไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโธท่ไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากที้ท่านขออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวค่ะอือเมืเวลาเรานั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์มันมันนั่งง่ายแต่ว่ามันรู้สึกมันรู้สึกร้อนหมายถึงภายในมันร้อนนะคะเราควรจะนั่งต่อไปหรือว่าเราควรจะออกมาจากสมาธิแล้วก็มาพุโทโธก่อนดีค่ะพระอาจารย์ อถ้ามันอยู่ในสมาธิร้อนก็ไม่ใช่สมาธิค่ะใช่ค่ะมันมันคือมันแค่อยู่แค่ท่าค่ะแต่ว่าภายในเนี่ยมันถ้ามันเข้าสมาธิมันก็ต้องเย็นนะถ้ามันร้อนก็ต้องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเลยอ๋อควรออกมาก่อนไหมคะพระอาจารย์หมายถึงไม่ต้องออกก็ก็มันไม่ได้เข้าจะไปออกตรงไหนหรอกอออกยังไง่ะก็มันไม่ได้เข้าสมาธิถ้ามัน ถ้ามันเข้าสมาธิมันก็ต้องนิ่งต้องเย็นต้องสบายถ้ามันนอนก็แสดงว่ามันไม่ได้เข้าสมาธินี่จะไปออกตรงไหนล่ะออกไปไหนอ่ะไม่คะฮะไม่เข <c oughs> ้าใจว่าจะออกไปคำว่ า, าออกมาว่าไม่ใชหมายถึงออกจากท่านั่งนั้นนะคะสม้วเปลี่ยนเปลี่ยนท่านั่งก็ บ, บอกเปลี่ยนท่านั่งเลยมันไม่ได้ออกจากสมาธิจอกจนลุกขึ้<ฆ>นมาเดินจงกรมก็ได้พดโธพูดโธไปค่ะ หรือทำอะไรไม <จะ S 1> ่ได้พุโทโธไปเข้าห้องน้ำก็พุโทโธไปอะไรก็ทาอย่าคิดทัา น, นอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราฟุง้ง อ, อ่าคือต้องจับพุโทโธให้มัน่นเท่านออั้นไม่ให้ใจมันนิ่งก่อนแล้วพอใจเย็นแล้วค่อยมาคิดแก้ไขปัญหาต่อไปก็ได้ อ, อ๋อค่ะพระอาจารย์จะนำไปปฏิบัติค่ะอืมโอเคนะอะ่ได้ถวายบินอ่ ตัก บ, บาตพระอาจารย์ทุกวันใช่าสกกาธุโมทนาโมทนาค่ะพระอาจารย์อ่าไปที่คุณฝนนะคุณฝนกันเชื่อเลยติ่มมาติ่มมากลับน้มาส ก, การกับพระอาจารย์ฝนกระทิ่มค่ะ T I N T I M ค่ะอ่าวางไงวันนี้มีอะไรไ ม, ม่ทิ่มไม่มีครับวันนี้มาส่งการบ้านอ่าว่างไงล่ะการบ้านอะไรการบ้านเรื่อง พุทโธอะครับน่ะไปยังไงอืมก็มันเวลาโมโหงก็ดีขึ้นครับน่ะเวลาโมโหก็ใช้พุทโธพุทโธนะอือก็เวลาโนเพื่อนแกล้งก็เวลาโดนเพื่อนแกล้งเล่นๆนะครับก็รู้สึกโมโหนิดหน่อยก็เลยพุทโธไปอะคร่ะน่ะดีแล้วดีขึ้นนะใจเย็นขึ้นนะครับอืม ใจหายโกรธนะฮะปฏิที่บอกพระอาจารย์ที่สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอยู่ใช่ไหมคะครับเกินสวดมนต์สวนดนานไหมครับก็ไม่นานมากครับสวดตั้งแต่ก็เหมือนเหมือนเหมือนตามรูปแบบอะค่ะพระอาจารย์ก็ตั้งแต่แเริ่มจนถึงจบเลยอะค่ะ แล้วก็ต่อได้นั่งสมาธิอีกห้านาทีอะค่ะแล้วก็จุกเช้าก็ให้นั่งสมาธิห้านาทีตอนอยู่ในรถอะค่ะนี่ฝึกไปเรื่อยๆเป็นเด็กนี่ฝึกง่ายตอนเราจะฝึกยากต้องค่อยๆฝึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะบางทีก็เหมือนแบบความเป็นเด็กอะค่ะก็ยังมีแบบงอแงงงงแงงบ้างนะค่ะพระอาจารย์เวลาจะ ก็ต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวบางที้ขาไม่อยากจริงๆก็บังคับอทำไม่ได้ค่ะ<ต>อก็ควรพยายามที่จะฝึกเข้าไปเรื่อยๆหนูก็พยายามอะค่ะก็นี่ยยังดีก็เดี๋ยวนี้เข้า z ู o ทุกวันพูดได้ก็ ก, ก็ค่อยยังก็ดีะค่ะอยากจะให้เขาได้มาได้เข้า z ู o กับพระอาจารย์ทุกวันพูดเขาก็ดีขึ้นนะคะก็ะดี โอเคคุณแม่มีอะไรไหมเออขออยากคําถามคําถามเดียวอะคะ่ะพระอาจารย์ว่าคือหนูอ่านหนังสือจนถึงตอนที่พระอาจารย์พูดถึงเอเรื่องปัญญาอบรมสมาธิอะคะ่ะพระอาจารย์หนูไม่แน่ใจว่าว่ามันหมายถึงยังไงอะคะ่ะใช้ปัญญาอบรมสมาธิอะคะ่ะตอนนั่งะะ อ, อ่ะค่ะมองวันเวลาเราจะนั่งมันไม่ยอมมันไม่ยอมอยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับลมมันมีเรื่องปัญหาค้างใจอยู่เป็นปัญหาลูก รูปเดื อ, อยพยายามที่จะสอนเขาห้ามเขาเขาก็ไม่อยากฟังเราก็ทุกไปกับความดื้อของเขาะเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอธิจรทุกข์งหน้าตาหรือเปล่าลเขาเป็นของไม่เที่ยงแท้หรือเปล่ากขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเปล่าว่าเป็นห น, น้าตาหรือเปล่าเราไปควบคุมบังคับก็ได้ตลอดเวลานหรือเปล่า ที่เราทุกข์เพราะอะไรเราอยากจะไปควบคุมเขาเง่ยอยากจะให้เขาทาตามตที่เราบอกเขาก็ไม่ทําตามตเราก็เลยทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงบางทีก็ทําให้เขาทำตามตเราไม่ได้ heads? ออเรื่องนี้เขาไม่ยากทำตามตก็ปล่อยไปอะไรจะเกิดก็มันเรื่องของเขาเราทําหน้าที่เราเต็มที่แล้วพอเราเห็นความจริงว่าเราทุกข์เพราะความอยากให้เขาทําตามตเรา ถ้าทำไม่ได้เราก็ทุกข์ก็หยุดความอยากของเราสิมันก็หายทุกข์ใจก็สงบกลับมาพุโทโธได้ดู่มุ่งได้ได้ปัญญาวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลลายรักกับอริยสัจสีมันไปด้วยกันนี่ก็เรียกปัญญาลมสมาธิแต่ไม่ได้หมายถึงสมาธิแบบเป็นอัปปนาไปเลยแบบจิตรวมเลยอันนั้นก็ต้องเจอปัญหาหนัก น, นั้นนอกเจวันนาเกวันล่าง ก, กายเกี่ยวความเป็นความตายเราพิจารณาความตายแล้วปล่อยได้อันนั้นนมันจะเข้าเข้าอัปปนาได้หรือเวลาเจอทุกขเวทนาที่รุนแรง ก, กับร่างกายเราแล้วเราสามารถพิจารณาปล่อยวางเวทนาได้ไม่ทุกขกันได้ใจก็เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้แต่ถ้าเป็นปัญหาทั่วไปแบบ เนื่องคนนั้นคนนี้ที่ทําให้เราคุงสร้างไม่สามารถจะเข้านั่งสมาธิได้ความเป็นยังหรือตอนนี้มีวิตกเรื่องการเมือการบ้านอะไรต่างๆคข้ามาเป็น <Okay. S 2> อะไรนั่งเราก็ฟุงไม่ยอกอยู่กับพุทโธไม่ยอมอยู่กั บ, รกบเราเราพิจารณาว่ามันการบ้านการเมืองมันก็เป็นอนิจจ์ทุกขรั้งเราตามเหมือนกัน <laughs> <laughs> ใช่ไหมเราไปเราไปควบคุมมันเราไปเรื่องนายกได้ไหมจะเอาคนไหน อาหนูพอจะเข้าใจแล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเหมือนมันฟุ้งอะค่ะเราก็ด้วยด้วยความที่เราอาจจะทุกเรื่องลูกเรื่องอะไรเราทําให้เราคิดก็เลยไม่มีสมาธิก็เลยให้พิจารณาเป็นเหมือนเป็นอริยสัจสี่ไปแบบที่เกิดเหมือนเป็นปัญญาขึ้นมาใช่ไหมคะใช่เป็นตายรักเรื่องที่เราฟุ้งมันมันเป็นตายรักมันทำให้เราทุกข์เพราะเราอยากมันเป็นอริยสัจเนี่ย เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้ก็ปล่อยมันไปเหมือนฝนตกแดดออกนี่ใช่ไหมเราไม่เคยไปฟุ้งกับเรื่องฝนตกแดดออกเท่าไหร่พระเรารู้ว่าเราทํามันไม่ได้ทุกอย่างก็เหมือนกันเมื่อถึงเวลาบางที่เราก็ทําอะไรมันไม่ได้่ก็ต้องปล่อยมันไป แล้วการจะเข้าอับปนาสมาธิได้อ่ะคะ่ะมันต้องผ่านเบีย น, นาก่อนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็จะไปอยู่ที่เปี่ยวแล้วไปเจอเจอสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหนอเรเราพิจารณาว่าร่างกายเรามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราห้ามมันได้ไหมเวื่อมันจะตายเอ่ถ้านี้มันถึงเวลาจะตายก็ยอมตายไป มันก็หายทุกมันก็ปล่อยร่างกายอันนี้มนันก็จะเข้าเข้าไปในสมาธิได้เลยหรือนั่งแล้วร่างกายเจ็บปวดเจ็บปวดแล้วก็ไม่อยากจะทุกข์กับมันก็พิจารณาปล่อยวางความเจ็บปวดปล่อยให้มันเจ็บไปเราห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้พ อ, อปล่อยได้เพราะความอยากเราเราอยากให้มันไม่ ไม่เจ็บแล้วอย่าให้มันหายแต่เราทามันไม่ได้ทำให้มันหายไม่ได้ทาให้มันไม่เจ็บไม่ได้เพราะเจตเห็นโทษของความอยากของตัวเองก็ยอมหยุดเย็นยอมยอยปมปล่อยเมตนาเขาทุกข์ก็ทุกข์กไปเขาจะเจ็บก็เจ็บไปเจ็บไปแต่เราจะไม่อยากให้เขาหาเจ็บบุญอยากจะเจ็บก็เจ็บไปบุยอมเจ็บไม่ยอมเจ็บมันก็หยุดความอยาก มันก็ ย, ยนมันก็สงบเข้ามอนี่มันจะสงบนึกมันแล้วก็อยู่ที่ความเจ็บว่ามันมันมันใหญ่หรือไม่ใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็ต้องลองไปปฏิบัติส่วนใหญ่เขาบอกบากทีเกิด เ, เวลานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นหลาชั่วโมงแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาละลายเราอยู่ไม่อยากจะเปลี่ยนท่านห้างของเราลยาอยากจะสู้กับเวทนาอยากจะสู้กับความเจ็บปวด ดัง น, นั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาถ้าถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธมัน ม, มันไม่ยอมอยู่เอาไม่ไหวดูลำก็ไม่ยอมมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาเวทน า, นาความจริงว่าเป็นอย่างไรเป็นอนิจจานะไหมเป็นอนัตตาลอไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปหยาดแล้วมันหายไปใช่ไหมอะไรนี่คือการใช้ปัญญา เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ไปเจอเหตุการณ์ไปเป็นอะไรเงา้ยวอยู่ได้3ามเดือนเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นหารได้วยปัญญ า, เ, าเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ตายมีใครไม่ตายบ้างมาถึงเวลาจะต้องตายอายอมตายแล้วก็หายเครียดได้ได้ค่ะพระอาจารย์หนูจะนำไป ปฏิบัติอะคะ่ะตอนนี้หนูเข้าใจความหมายของปัญญาอบรมสมาธิและะ้วพระอาจารย์กบขอบคุณพระอาจารย์ใช้ปัญญ า, าทําใจให้ใช่ไหค่ะแทนที่ใช้สติมาใช้ปัญญาค่ะสติก็พุโทโธพุโทโธแล้วดูลมนะส่วนอิติปิโสอะไรไปถ้าใช้สติมันก็จะดับความทุกข์ได้ชั่วคราวพอหยุดเมื่อไหร่มันก็กลับมาทุกข์ใหม่ได้แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วปัญญาหายทุกข์กับเรื่องนั้นไป ตลอดเลยไม่โกลัวตายต่อไปไม่โกลัเจติดต่อไปได้คะ่ะพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะอ <Yeah. S 2> ขอบพระคุณทางที่นี่กลับวอาจารย์อไปที่จามจ่กันแจ้งที่ต่ออยากมัสกมสกันพระอาจารย์ครับว่าอยังไงครับมาส่งกันบ้านเหมือนเดิมต่อไมีอะไรบ้าง เรามีความแก่เป็นธรรมดาแต่ล่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะ่ล่ว้มความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะ่ล่วมพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องปัดคลาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีคำเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดันเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าทำกรรมอันไดไว้เป็ น, ปนบุญ ห, หรือเป็นบาปเราจะเป็นทายะถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสียไปเราทั้งหลายคนที่เรณายอย่างนี้ทุกนันจุก น, จนั่นเถิดย้ำได้หรือยังจำงาแลนะ้วครับอ่า เรายอมรับยอมยอมรับความจริงนี้ได้ไหมเราเริ่มจะยอมรับได้แล้วครับอยยอมออต้องยอมนะถ้าไม่ยอมก็จะทุกข์นะัช่ชอบโอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมคนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกยีนในกระดูก น้ำหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารไหม่อาหารก่ายึดในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเฉลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงินน้ำน้ำขนน้ำตาน้ำเหลียงน้ำลายน้ำพุน้ำเผือก้นน้ำตาหน้ำเหลียงน้ำลายน้ำเหลียงน้ำตาหน้ำขอนน้ำเงินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉ็ดน้ำดี ยึดในสมองศี่สะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตพังดืนตับหัวใจหมาเมียในกระดูกกระดูกเอ็นฮหลังฟัรเลบกัดก็ดูภาพเรื่อหลังวั้หรือยังยังครับยังไม่ยั ง, ยงไม่ยอมดูเลยก็เนี่ยเห็นผมทำไมผมดูได้ขนดูได้เล็บดูได้มันดูได้ ทำไมเนื้อดูไม่ได้เอนมันก็อยู่ใต้หนังนี่เองทำไมเนื้อจะไต้ดูได้กินได้ทำไมเนื้อล่างกายเรามันก็เหมือนกันแหละต่างกันงไหนใส่กอบกินหน้าไม่ใส่กอกยิ้มตเยแต่ลไส้อูไม่ได้ับ มันใช่ก็ใช่แต่มันก็ทำมาจากคำใช่ไมหมเนี่ยครับเนี่ลองดูมันค่อยๆดูไปดูภาพวาดก่อนก็ได้ถ้ายังไม่เห็นภาพภาพจริงภาพถ่ายส่วนหนังสือกายกตาสติน้องแอบดูเทียหน้าดูเลยครับ yeah. รครับเนี่มันไม่ประกาศเราหรอครับครับหนังสือกระดานมันจะมาทำํำอะไรเราได้เลยครับ <Yeah. S 2> ครับ ดูตอนที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จ ต, ตอนนั้นใจเราจะมีกําลังครัฒนาปัญญาท่านหน่อยแล้วไหว้พระสวดมนตนะ์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จอย่าพึ่งนอนเปิดกายกตาสติมันดูภาพท่านหน่อยได้ไหมไมกลัว น, นอนห ล, บนนหลบบับนอนไม่หลับไหครับกลันอนไม่หลับครับไม่ไม่หลับนอนหลับสบายเลยเชื่อไม่ต้องกลัวหรอก ก็ ม, มันอยู่กับเราท่านสมัยเรานอนไม่หลับมันอยู่กับเราเนี่ยตลอดเวลาครใช่ไหมมั น, น<อ> ไ, มไม่ใช่เป็นของคนอื่นที่ไหนมันก็เป็นของเราค่ะครับอ่าต้องบอกภาพที่เราเห็นมันก็เป็นมันก็เหมือนกับของเราอะแต่เราไม่เราดูของเราไม่ได้เพราะท่าดูของเราเดี๋ยวเราเจ็บเราต้องผ่ามาดูดูคนอื่นเขาแทนของคนอื่นกับของเราก็เหมือนกันแหละเอ่า กายนอกกายในกายนอกก็กายของคนอื่นกายในก็กายของเราครับพระพุทธเจะบอกให้พิจารณาทั้งกายนอกต้งพิจารณาท่างกายในว่าเหมือนกันเราไม่กลัวกายในแล้วไปกลัวกายนอกทำไมเอ่าโอเคไม่เป็นไรเลย ของหนูก็ปฏิบัติทุกวันพ่ะอาจารย์สอนไว้พากใ น, นสมาธิฟังธรรมอ่านธรรมะาค่ะ mm hmm. แล้วทีเน mm ี้ยใจมันก็สงบเย็นนะคะะอาจารย์แล้วทีนี้มันก็กลายเป็นว่าพอจะมีความสุขอะมันก็ไม่อยากจะสุขละค่ะอาจารย์เพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวมันก็อันนิจจังเี้ยค่ะคือมันเหมือนกับมันจะมีสัวที่มาเตือนเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะทั้งสุขทั้งทุกข์อค่ะก็ไม่ไม่ต้องไปสุขหรือไปทุกข์อะไรนักอะไรเงี้ยค่ะให้อยู่เฉยเฉยอะค่ะ ค่ะตัวนี้มันเป็นปัญญาไหมครับอาจารย์มันจะคอยมาห้ามเราอยู่ตลอดเลยว่าเฮ้ยอย่าไปสุขกับมันมากเลยอะไรอย่างนี้อ่าเป็นลเล็นเราต้องอาศัายสมาธิเราจะได้เราจะได้ปล่อยความสุขอย่างเป็นแทนได้ถ้าเราไม่มีความสุขจากสมาธิเราก็จะไปปล่อยความสุขกับลูกไม่ได้แล้วเรามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากรูกๆเราก็จะได้ปล่อยความสุขที่เราได้จากรูปจากสามเณรได้ เราต้องสร้างความสุขทดแทนความสุขที่เดียวเหนือกว่าก่อนอเรวความสุขของสมาธิถึงแม้ว่าจะมันจะไม่เที่ยงแต่เราก็สามารถเข้ามันเข้าได้อยู่เรื่อยๆอมันไม่ยาพอเราได้แล้เราสามารถที่เข้าอยู่เรื่อยๆพีเดิมมันยังต้องคอยเข้ามันเวลามันเวลามันหมดแล้วเราก็ต้องคอยเติมน้ํามันอย่างเ ง, งีย้ยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไร ถ้าเราเคยทําได้แล้วเราทําได้ไปเรื่อยๆแต่มันเรามีความสุขที่เหนือกว่านั้นเกี่ยความสุขของนิพพานอันนั้นแบบไม่ต้องเติมซนนึ่งต้องแต่ต้องก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องรับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ได้ก่อนมาละได้นั้นมันก็ค่อยมาละเครื่องมือด้วความสุขของสมาธิีกทีหนึ่งนั้นห น, นึ่นง ดังตอนนี้อย่าเพิ่งไปแล้วอย่าไปปล่อยเครื่อ ง, งมือเครื่องมือยังถ้ายัางไม่ปล่อยความความสุขจากรูปเสียงกิเลแล้วเรายัางติดอยู่เราก็ต้องอย่าเพิ่งปล่อยความสุขของสมาธิต้องสร้างความสุขของสมาธิให้มีมากจนกระทั่งเราสามารถปล่อยความสุขทาจากรูปเสียงกิเลสได้แล้วตอนนี้เราค่อยมาปล่อยความสุขจากสมาธิที่นึ่งน้องังไปปฏิบัติโอเคนะ มิทนี่ยโอเควิีเห็นน้อง อ, องอเเ่เข้ามา อ, อ่ออ่ออย่าง่าค่ขอบคุณระาอ่าประมาณนั้นว่าอออ่อเร็วอ้าวรอถามสิ่งที่สงสัยเลยค่ะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพูดดังน่อ น, น้องอ่ออยู่ที่ไหนจอยู่ที่ไหนค่ะ อ, อยู่ที่ททหอค่ะที่ปัจเจ ปาก็กตค่ะขอเซียมพูค่ะอ๋อมีอะไรจะถามว่มมามาเลยพี่ขาเล่าเลยเวลาหนูจะสวดบทธรรมาจักรกับแม่ค่ะชอบมีมารมาแก้ทําให้หนูแบบไม่อยากสวดเลยค่ะ น, นั่นสิจะทำไงล่ะมารอะไรก็ไม่รู้คะ่ะมันทําให้หนูไม่อยากสวดเลยค่ะพอหนูอชอบเล่นเกมเนี่ยชอบดู ดูมือถือมันก็เลยไม่อยากจะสวดอ๋อเฮ้ยตรงเลยอะ่ะเออใช่ต้องโยนโทรศัพท์ทิ้งไปเลยตอนที่จะมาสวดฝ า, ากแม่ไว้อย่าไปจับอย่าไปแตะมันเอาไปใ่หนูก็ไม่แตะหนูเอาไป<ะ>าไปว้ห้องอื่นเอห้องอื่นแล้วก็พยายามอย่าไปหามันให้อยู่กับบทถ้ามาจากไปอ๋อค่ะแล้วนั่งสมาธิเป็นไงรู้สึกอะไรนะ เพลงอ่ะอืมอ๋อเล่าดิแล้วก็เวลาหนูนั่งสมาธิพุโทโธพุธโทโธทำโ ม, มสังโฆไปก็ชอบมีเพลงที่หนูชอบฟังก็มาม า, มาเป็นมารค่ะเราไม่เป็นไม่ต้องไปสนใจแล้วก็พุโทโธเราไปมันจะเข้ามาก็ปล่อยมันเข้ามาไม่ต้องไปสนใจมันสวดใจงก็มันไปอ๋อโอเคอ่ะเล่นก็าหาองเลย <c oughs> ไม่ได้ไปหาหลวงพ่อเลยค่ะยังไม่ะ ไ, ไม่เป็นไรว่าเมื่อไหร่ค่อยมาก็แล้วกันค่ะแต่ก็นึกถึงเออที่ที่เคยไปถวายเอ่ออาหารและเอ่อของใช้หลวงพ่อก็ยังได้ถือว่าได้บุญไหมคะ่ะได้นะ ถ, ถ้าให้ของมาแสดงว่าได้บุญทำทานอ๋อค่ะให้ให้มาที่นี่ไม่ได้ก็ให้ที่ใกล้ๆบ้านก็ได้ มีพระมินดาบาทก็ใส่บาทที่นั่นก็ได้ได้บุเหมือนกันถ้าอยากจะได้อยากจะได้ความรู้ว่าเข้ามาทางสูงไหมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะอนะพยายามนะค่ะทุกท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วลองเขาหน้าลองดูว่าจะสวดได้หรือเปล่านะจะเป็นสวดได้ลองไปลองดูแล้วมาเล่าให้ฟังกขาหน้าว่าสวดได้หรือเปล่า สรวจธรรมจากได้ป่ะอ๋อสวดได้นะอไม่ต้องมีมานมาแก้งให้สวดอ๋อไม่สวดจบเลยอ๋อชอบมีมานมาแก้งไม่ให้สวดจบเร้องเอชนะเราต้องเอาชนะมาเลยต้องเอาชนะมานให้ได้เราอยากเป็นราอยากเป็นผู้ชนะไหมผู้ชนะอยากค่ะถ้าอยากเป็นผู้ชนะแล้วก็จะอยากอยู่สวดอยากอยู่นั่งสมาธิอืม แล้วเราก็จะนะมันหรือเราอยากจะเป็นผู้แพ้ถ้าผู้แพ้เราก็ยอมแพ้มันเราก็หยุดสวดหนูชอบอะไ ร, อ, ะไรอ่ะอีกเรื่องเลยห<แ>นูเออหนูชอบอยากดูโทรศัพท์ค่ะติดมากเลยค่ะคลิปเด็ก็เวลาส่วนบนก็ต้องเอาเอาไปฝากแม่ไว้เอาไปเอาไ ป, เอาไปเก็บไว้ในตู้ให้สวดเสร็จแล้วค่อยมาดูคนื ที่หนูยืมดูคือของยายค่ะยายก็เอาไปนั่งเล่นอีกห้องนึงนะแม่ก็เอาโทรศัพท์ไว้ข้างนี้แต่ว่าปิดแล้วเอาไว้ไกลขึ้นหลังห้องเลยค่ะรบกวนท่านแค่นี้ค่ะรบกวนท่านแค่นี้โอเคอ่าท่า้จะอ่าไปด้วยคุณทิติมาอยู่ที่ไหนขับรนอยู่แล้ว ที่ทิมาเด็ดนะเป็นรถวิ่งอะไฟ่านไยนมที่ติมาไม่ได้เย็นไปตอน่าอยู่ในรกป่ะเนี่ยอไปที่คุณสารกาเอามารับไปว่าไงขัรถอยู่นะกลาวบรักกาค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะกาลังนั่งรถอยู่ค่ะโอเคไม่มีก็ไปเลยนะจะได้ไปที่ัไป คุณสาธกาอยู่ที่จีน่าเกินเออไม่มีคาวอาจารย์มาฟังรธรรมค่ะปฏิบัติค่ะอืมคุณเดชย า, ากับคุณแม่คุณอ่คุณแม่ตการค่ะอาจารย์อือ่อวันนี้โยมมีคําถามหนึ่งคำถามนะคะอาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินยชัดเจนว่ามันคือ การถือศีลแปดของโยมนะคะปกติเวลาจะถึงมื้ออาหารเนี่ยโยมจะเตรียมทุกอย่างไว้บนบนโต๊ะพร้อมหมดเลยจะไม่ลุกขึ้นนะคะแต่ว่าพอจากการฟังซูมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันจะเป็นเหมือนข้อปฏิบัติของพระกับของคาวาะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็คือควาว่าความว่าฉันอาสนะเดียวคือฉันหนเดียวไงแต่เพลงน่ะว่าพระท่านเพลงก็คืออาสนะเดียวคือไม่ลุกเลย่อ ถ้าฉันไม่อิ่มก็ไม่ลุกได้ถ้าลูกก็แสดงว่าอิ่มแล้วไม่กลับมาฉันใหม่ทีค่ะคือยยมปฏิบัติแบบนี้มาตลอดคือจะเตรียมทุกอย่างไว้หมดเลยจะไม่ลุกขึ้นถ้าลุกขึ้นคือขาดแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้พอมาเป็นแม่ค้าเนี่ยค่ะบางทีเรากำลังนั่งอยู่แล้วก็ลูกค้ามาซื้อของมันต้องลุกขึ้นนะคะได้ไหมคะก็ถ้ามันยังเป็นมือเดียวอยู่ก็ได้ ก็เป็นมื้อนั้นอยู่ใช่ไหมคะมื้อนั้นอยู่ก็ได้คือคำหมายควาจริงก็คือให้กินมื้อเดียวแต่บางทีอาจกินไปครึ่งทางแล้วมีปัญหามีมีเหตุจะต้องหยุดหยุดแป๊บหนึ่งเพื่อไปทําอะไรแล้วค่อยกลับมาทําต่อมันก็ยังมื้อเดียวอยู่ไม่ใช่ค่ะทําแต่เมื่อก่อนนี่คือแบบถ้าลุกก็คือขาดไปเลยอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้เราก็ปรับมาได้แบบนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ของพักเขาเพ่งหน่อยของพักเขาเพ่งชัดว่า ให้นั่งนั่งเวลาเริ่มฉันก็ฉันให้ไปเสร็จๆปไปเลยไมหมทำอะไรอย่างนี้สาธุค่ะมีคำถามแค่นี้ค่ะที่เหลือก็ปฏิบัติอยู่ฝึกอยู่ค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจาย์ดิยามีอะไรไหมนักัการศึกษาพระอาจารย์มีคำถามประมาณสองข้อค่ะคือบางปกติเวลาที่มีอยู่ครั้งเนึ้ยค่ะหนูไป หนูไปนอกสถานที่ต้องไปติดต่องานแล้วเวลาที่รองานเขาอะค่ะหนูมันรู้สึกวุ่นวายก็เลยไม่หลับตาค่ะพระอาจารย์พอหลับตาแล้วพูดโทรปรากฏว่ามันก็มันค่อยๆเย็นแล้วค่อยเข้าส ม, สมาธิไปอะค่ะพระอาจารย์แต่ก็เข้าไปตั้งนึงแล้วก็กังวลก็ออกก็ประคองออกมาแต่ก็ไม่แล้วก็นั่งไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปถ้าเราประคองต่อก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไงแต่ตอนนั้นก็ ยังกังวล น, นะคะพระอาจารย์เลยมันนั่งคิดอีกทีว่าถ้าไปอยู่นอกสถานที่จริงๆเนี่ยหนูไม่ได้ทําท่านั่งสมาธินะคะแค่หลับตาแล้วพุโทโธอคะ่ะพระอาจารย์แต่ถ้าอยู่นอกสถานที่จริงๆนี่ควรแค่ลืมตาแล้วอยู่กับลมหายใจหรือท่องพุโทโธไปดีกว่าหรือเปล่าคะก็อันไหนที่มันทําให้ใจเราสงบก็ใช้อันนนะัอ้อแล้วก็อยู่ที่ว่าเราย อยู่ในสภาพที่เราปิดตาได้หรือเปล่าหรือเราต้องเปิดตาก็ต้องนล้วแต่เหตุการณ์สถาน ก, การณ์ด้วยแต่เป้าหมายก็คือเพื่อทําใจให้เราสงบอย่าไปฟุ้งกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นถ้าเราใช้ปัญญาเป็นงานจะใช้ปัญญาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนเหมือนดินฟ้าอากาศเราควบคุมบังคับไม่ได้มันจะ วมัมันเกิดก็เกิดไปเราอย่าไปอยากให้มันเป็นตามความอยากของเรามันก็ไม่ใจเราก็จะไม่ฟุง้งใจเราก็ไม่พุ่งแต่ถ้าเราใช้ปัญญาไม่เปน็นก็ต้องใช้สติไปก่อนถ้ามองเห็นมองมองแล้วมันทําให้มันฟุง้งก็ก็หลับตาเนีมันก็จะช่วยให้ลดความฟุ้งได้แล้วก็อยู่กับพุทโธไปอยู่กับสติไป อันนี้มันก็ขึอยู่กับกำลังของสติของเราขึ้อยู่กับปัญญาของเรามันมีบ้างไม่น้อยถ้าเราลืมตาแล้วมันไม่สงบก็ต้องหลับตาถ้าเรามีถ้าเรามีปัญญาบางทีเราไม่ต้องหลับตาเราไม่ต้องพูดโตเรามองทุกอย่างแล้วก็เฉยว่ามันเป็นอย่างนี้แหละจะไปอะไรกับมันอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็ตายเป็นอย่างนี้ จริงๆตรงนั้นไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่รอนานก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยพุโทโธไปคะ่ะอาจารย์ค่ะ ม, มันไม่รู้จะทําอะไรมันอยากจะทําอะไรอะไรว่ามันอยากจะทําอะไรค่ะเพราะมันอยากเพราะมั น, มนอยากแล้วไมไ่ทำมันก็เลยเพียดขึ้นไปอืมก็ต้องหยุดความอยากของเราอืมถ้าหยุดความอยากด้วยด้วยปัญญาไม่ได้กรับต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปดูลมหายใจไปแล้วแต่ วิธีไหนที่เหมาะกับมันได้เหตุการณ์นั้นก็ใช้ใช้วิธีนั้นไปก็ได้ได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะลองเอาเอาไปปฏิบัติ ด, ดูค่ะแต่ว่าอันนี้าข่าวสัปดาห์ที่แล้วค่ะหนูเคยลองถามเรื่องที่กําหนดไฟเผานะคะพระอาจารย์แล้วหนูเราเอาไปลองทําปกติถ้าปกติถ้าพุโทโธแล้วมันจะเริ่มเย็นก็ประคองพุโทโธไปต่อใช่ไหมคะคราวนี้พอเวลาเราเพ่ง เป็นไฟอ่ะค่ะแล้วอยู่ๆมันก็วุบเข้าวุบไปเ ล, เลยบางทีงงว่าเราจะต้องนึกเป็นภาพไฟต่อหรือว่าเราก็ปล่อยปล่อยประคองจนกว่ามันจะเริ่มคิดถ้ามันสงบก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วทำไไมาปเพื่อให้ใจสงบให้ปล่อยว่าความเจ็บตอนนั้นแล้วพอมันเริ่มคิดต่อแล้วเราก็ค่อยดูอีกทีว่าจะพุโทโธษหรือว่าจะทําอะไร แบบว่าก็หาที่ยึดเหนี่ยวต่อทราอย่างนี้มันสงบต่อเราก็ต้องไแม่มันคิดม่ต้องหยุดความคิดค่ะได้ค่ะพระอาจารย์อใจแล้วนะหมดหรงหมดแล้วค่ะโอเคขอบพระคุณนะคะอาจารย์สาธุอาจารย์ายที่คุณจุ๊บโกเบกาบนัมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มาสากค่ะ เมืม่อนนกี้ก็ก็มีค่ะพระอาจารย์หนูมีความสุกว่าการปฏิบัติเนะะี่ยค่ะถ้าไม่ได้ทำสักวันสองวันเนี่ยมันเหมือนเสื่อมลงเร็วมากเลยค่ะพระอาจารย์ความสงบของจิตใจะค่ะพระอาจารย์ใช่ดีแล้วอนะย่างไรก็รู้แล้วว่าเราต้องทำให้อย่างต่อเนื่องค่ะหนูก็กำลังพยายามที่จะเข้ามาซูม ของพระอาจารย์ทุกอาทิตย์นลคะ่ะพระอาจารย์เพราะหนูมไม่อยากหลุดวงโคจรตรงนี้ไปนะคะอ่าดีฝปาทำไว้นะแล้วทำจะพาเราไปสู่นถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือความสงบจ้าค่ะโอเคนะพย า, ายามเข้าหาธรรมะยึดธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจอย่บไปดูทีวีเหมือนคนอื่นที่ก็ยึดอย่างนึง าคนก็ไปเล่นการพา น, านันบางคนก็ไปดูหนังบางคนเข้าไปดื่มเล้าเมายาอันนั้นไม่ใช่เป็นที่เพิ่งที่แท้จริง <Okay. S 1> เป็นที่ <Okay. S 1> ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนะ ร, รู้สึกตัวเพราะมันเป็นเหญญาเสพติดพวกนี้เสพแล้วติดพอไม่ได้เสพล้ว จ, จะทุกข์ใช่ไหมโอเคนะ นะคะขอบคุณพัเข้ามาได้ก็เข้ามาคนที่เข้ามาไม่ได้ต้องขออไปด้วยนะเพราะทางแอดมินเขต้องคุมเป้าในมารคนพอเข้ามามากเดี๋ยวมันไม่สามารถที่จะเสร็จตามเวลาได้มันจะอะไรเวลามันจะเดือดเกินไปถ้าใครที่รออยู่ก็ต้องดูดู ด, ด, ดูจากภายนอกไปก่อนแล้วถ้าแอดมินเขาเห็นว่าบอล ม, มีเวลาเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยให้เข้ามาต่อไป แต่เราในยไมีรออยู่อีกสามคนยังเข้ามาไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวต้องไปละวันนี้อจจะไปเร็วหน่อยก่อนเพื่อจะได้คนเดิก็ ไ, ได้คุยกันอนแม่น้องเล่นมากเลยมีอะไรด้วยวนยาายณนครปฐมพระจานทร์ขาได้กินหนู่มไหมคะด้ยินจ้า อ๋อตอนนี้หนูมาที่บ้านค่าและยองค่ะคือมาช่วยญาสามีค่ะพอดีแอดนิดที่โรงพยาบาลในยองค่ะก็เลยพอดีสูงอายุใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เลยมามาพิจารณาไปด้วยตอนตรงตอนตอ น, ตอนนี้ค่ะพระอาจารย์ต่อไปล้วก็ต้องเป็นเหมือนเขาถ้าเราไม่ตายก่อนใช่ค่ะพระอาจารย์ก็คือหนูก็มาดูว่าโอ้พอเหมือน ต้นไม้แก่ๆใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อื ม, มันก็จะมีความเจ็บปวดอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยมาพิจารณาแล้วถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยถ้าอยู่ในสถานะเนี้ยจะทําปฏิบัติยังไงจะทําตัวยังไงอ่ะค่ะพระอาจารย์ถึงแม้ว่าตัวหนูเองเอวัยวะจะพิการไปแล้วถึงเราไม่ได้มากังวลกับร่างค่ะพระอาจารย์ไม่ว่าก็อย่าไปทุกข์กับมานใช่ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนประมาณว่าหนูมองว่าเหมือนเราพูดว่า เราไม่ทุกไม่ไรพูดพูดง่ายแต่ว่าพอถึงสถานการณ์จริงมันไม่ได้ง่ายตามที่เราพูดเราทํดแบบนี้ค่ะเรา<อ>ทำ<อ>ไม่ได้รเราทำไม่ได้เราฝึกไหมฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเอาจุดนี้มาปฏิบัติ ด, ด้วยอาอแล้วถ้าเราบีาดามารดาถ้าเป็นอย่างนี้หรือญาติพี่น้องเราเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะดูแลท่านยังไงอย่างเนี้ยค่ะ ก็เอามาใช้กับตัวเองนะคะพระอาจารย์ถึงแม้ว่ามีปัญหาทางร่างกายนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยแต่มันไม่ได้ง่วงแล้วนะคะอาจารย์พ่อหนูรู power power? ้สึกว like like ่ามันเพียรหนูก็เข้าสมาธิเหมือนชาร์จแบตเลยค่ะพระอาจารย์พอพอจะสมาธิก็มาสามารถมาดูแลฟิตเออเหมือนพยาบาลทั่วไปนี่แหละค่ะพระอาจารย์อก็ผิดก็แทง่าวทาเท่าที่เราทําได้อย่าไปทําเกินกําลังของเร เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้เอามาพิจารณาเออเราก็ไม่ได้เที่ยวหรือว่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าท่านจะมีปัญหาคือพวผู้สูงอายุจะมีตอนกลางคืนที่จะไม่ค่อยนอนหลับกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยพยายามตอบเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้ได้ได้ช่วยท่านอย่างเงี้ยค่ะก็ทําไปทำเท่าที่เราทําได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ส่วนใหญ่หนูก็วันนี้ก็นั่งสมาธิอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์นั่งสมาธิเหมือนชัดแบบพระอาจารย์ถ้าไม่ต้องทําอะไรก็เข้าสมาธิน่ะดีที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุพระอาจารย์อนุนมเชิญคุณอนุนมจินนาการค่ะแบบนัสการพระอาจารย์อาทิตย์ี้ที่ผ่านมาโยมเพิ่งกลับมาจากโคราชคับไปช่วยงานที่วัดมา เออก็มีเหตุการณ์ช่วยจัดงานที่วัดงานวันที่ยี่สิบจัดมาจัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคือวันที่สิบเก้าฝนเทลงมาอย่างหนักจริจริงก็เลยมันเป็นปนนท า, า <c oughs> เวล า, า <c oughs> เ น, นาาี่ยจังนนทาจริงจ <c oughs> ไม่ควบเลยไ <c oughs> ่นเหมือนกันว่าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ควบคุมไม่ได้ <c oughs> ออก็เลยรู้สึกว่าเออไม่แน่ใจว่าเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นผลจากการที่เราปฏิบัติ แล้วเราก็คอยพิจารณาเรื่องนี้อยู่หนึง่งเนืองเสมอหรือเปล่านนนนเลยทำให้เหมือนไม่ได้ทุกข์แล้วก็ไม่ได้สติแตกก็คือไม่เป็นไรคือฝนกตกลงมาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าเราจะจัดการอะไรกับมันได้บ้างเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติค่ะก็เลยทุกอย่างเป็นธรรมชาติแม้แต่คนก็เป็นธรรมชาติ ก็เลยคิดว่าก็เลยจะแอยกเรียนถามอาจารย์ว่าการที่เราสามารถมองเห็นเรื่องเหล่าเนี้ยเป็นเป็นเป็นสิ่งธรรมชาติแล้วเราไม่ทุกข์มั น, นอานาตาเนี่ยทุกอย่างเป็นอานาตามสเพธมาอานาตตาก็ก็น่าจะเป็นผลมาจากการปฏิบัติด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าโยมท่านนั่นนะก็ ป, ปฏิบัติสมาธิปัญญาตรงอย่าง่ อ่าก็เลยเป็นที่นี้ก็มีนี่ก็เหมือนเป็นบททดสอบอ่ะค่ะท่านก็เลยรู้สึกก็ดูไปเนี่ยหรือว่าจะตอบจะทุกข์กับเรื่องไหนจะทุกข์กับเรื่องไหนแลไม่ทุกข์กับเรื่องไหนอาจจะทุกข์กับเรื่องสามีที่เป็นทุกข์กับเรื่องนี้ค่ะแล้วอ่าเขาทุกข์กับเขาทำไมล่ะเขาก็ไปละนัดตามกันใช่เพอาะเขาทุกข์เราบอกว่าอย่าเพิ่งทุกข์ไม่ต้องทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราไปห้ามเขาไม่ให้ทุกข์ไม่ได้เขาจะทุกข์เขปล่อยเขาทุกข์ไปถ้าเราไม่ได้ไปทําให้เขาทุกข์มันก็ไม่ใช่เรื่องของเรา จะต้องคิดอย่างนั้นก็เลยค่ะ ก, ก็เลยคิดว่าดีก็เป็นบทรรทดสอบที่อืมก็ก็ทําให้รู้ว่าเออถ้าเราทั้กวางจิตวางใจไว้ได้ถูกที่เราก็ไม่ไปสติเสียแล้วก็เป็นทุ่งกับมันก็ต้องวางวางใจไว้ที่โอบเบคาเฉยๆไว้อะไรจะเกิดก็มมเรื่องของมันเราทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยทําได้ก็ทําไปอั้นี้ค่ะดีค่ะท่านก็ต้องดูว่าจะไปสอบตกตอนไหนคะ่ะคอยดู โอเคมันอาจจะเป็นของใกล้ตัวก็ได้มันละมันก็พิจารณาของใกล้ตัวเราอมอาจจะเป็นร่างกายของเราก็ได้ที่เราอาจจะไม่คิดถึงอใช่ค่ะต้อ ง, องจะปฏิบัติต่อไปค่ะเดินมาที่นี้ไม่มีมไม่มีอะไรค่ะร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันมันจะเจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้มันจะเป็นโรคอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ค่ะจะต้องจะพิจารณาไว้อย่างนั้นเสมอเหมือนกันใช่ทุกอย่าง ทั้งเาทั้งเขาอเป็นธรรมชาติทั้งสิ่งที่มันมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เป็นเหมือนกันหมดมใช่ค่ะได้คสัพเพคาว่าสัพเพว่าทั้งหลายธรรมกะก็คือสิ่งต่างๆแล้วเรียกว่าธรรมะสัพเพรธรรมอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนอืม ใช่ค่ะวอาจารย์ก็จะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆค่ะนะครับอาจารยนี้เป็นชาติที่มีศนะีลธรรถ้าเราไม่ได้ตักน้อประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราก็จะเสียชาติเกินน ะ, ะเกิดมาแล้วไม่ได้ ไ, ไ, มไม่ได้ไม่ได้ไจากศาสนาพูดโดยนิสัยว่าโง่มากเหมือนไก่ได้พลอยอเหือนไก่ไม่ไก่มันก็จะหาหาหามันจะหาแต่ตัวนอนตัวไส้เดือด พอเจอเพชรเจอพลมันเขลียดทิ้งมั้งมันไม่เห็นคุณค่าของเพชพรสองพลคนที่เกลียด ว, ว่าเ ก, เกววาลียดพระรัตนนาตายก็เหมือนกับไก่ไก่ได้พ อ, อชอบตัวหน่งตัวใส่นอนชอบราบยศสรรเสริญสุขใช่ใช่ตีดติดกับโลกธรรมแบบใช่ค่ะมันมันมันไม่ คือว่าสับไปเหมือนกับมันก็แปรเปลี่ยนเสมอมันไม่มันไม่มันเป็นอนิจจ์ใช่ไ้มท่านได้มาเดี๋ยวก็เสียไปพอเสียไปก็ร้องหมร้องไห้เศ้าสศกเสียใจออืมใช่แล้วช่วงนี้เดี๋ยวเก่าไปใหม่มาแล้ะใหม่เข้ามาก็ดีใจเก่าเขาออกไปก็เศร้าใจมันก็มองไอ้คยเข้ามามันก็มองไม่เห็นว่าต่อไปมันก็ต้องออกไปมันใช่ใช่ท่านไม่มองกันไม่มองเห็นอนิจจงกันอ จริงค่ะท่านได้ค่ะก็น้องนาปฏิบัติบูชาค่ะมาศาสตร์ศาสตรทุกอย่างไปเที่ยวหนูตาโ อ, าโอผู้เก็น้องสาวน้มัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ามาเลยอาาได้ยินเสียงไหมเจ้าค่ะว่ามาเลยพระอาจารย์เบาใจเย็นใจอยู่ได้วันเดียวเจ้าค่ะ เวลาสิบแปดวันนุ่งสิ้นนี่แบบว่าเตรียมเลยเจ้าค่ะกิเลดออกมาเลยกเลสออกมาวารุณารายกมอว่านาสิบแปดใช่ไหมดูกันใหญ่เลยอยากจะดูอยากจะฟังรายก็เอาเต็มที่เลยนะไม่มีไม่มีไม่มีการรักษา เรื่องเรื่องงานมากกว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอย่างรูปขายของอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะต้องต้องออกไปหาของมาขายเนี้ยเข้าเข้าในเน็ตไปดูของที่ว่าจะซื้อมาขายได้อะไรเงี้ยเจ้าค่ะพอไปตัวนั้นมาเหมือนกับว่าความโรคก็มาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะว่าเอออันนี้น่าจะขายได้อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอืแต่ก็มีซื้อเน้่เจ้าค่ะพระอาจารย์ยังมีเบรกอยู่เจ้าค่ะอืมนี่มันจําเป็นต้องต้องซื้อระซื้อทนเป็นการทำมาหากินแล้วก็อย่าไปหามากจนเกินทําให้เราไม่มีเวลา ที่จะมาปฏิบัติธรรมมาแล้วกันที่จริง<ม>ถ้าไม่ติดตรงนี้ลูกอยากว่าสหินแปดทุกวันเลยนะเจ้าค่ะพอาจารย์เพราะว่า<ม>แต่อย่างเมื่อที่เราออกไปดูของดูจากในเน็ตเจ้าค่ะพอาจารย์บางทีมันไปเจอรูปอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ากลัวเพราะาตรงนี้จะผิดสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเอาแบบว่าสหินห้าบวกหกแล้วก็สหินแปดวันเนี้ยค่ะวันโกแล้วก็วันพระเองดีกว่าเป็นไงเจ้าค่ะอืม ก็ได้ทําำเท่าที่เราทําได้ไปแล้วกันนีู้อย า, าเราหาเงินน้อยใช้เงินน้อยแล้วก็หาเงินน้อยได้ทํางานน้อยแล้วก็จะมีเวลาปฏิ บ, บัติมากขึ้นอาจารย์เจ้าคะลูกอยากขอบายวิธีสอนใจให้บมาว่าสักแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าหนักมากมาเคยทุกกับเรื่องกลิ่นที่ไม่ชอบใจอย่างนี้เจ้าคขาพระอาจารย์ที่เราหลิกเลี่ยงไม่ได้แล้วยยัง เรายังต้องเจออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะเหมือนอากาศวิสปะยะคือเราเจอกลิ่นที่แบบว่ามารุวรรกวนอะไรอย่างนี้จากภายา์อกอืมก็ถามเลยว่าใครเป็นคนดมกลิ่นเราหรือหรือร่างกายเราเป็นใจเราไม่ได้ดมกลิ่นตัวที่ดมกลิ่นก็คือร่างกายเป็น ต, ตัวร่างกายมันดมให้มันเห็นเดือดร้อนเลยเราไม่ได้ไปดมกับร่างกายเพีงแต่รับรู้เฉย ก็ปล่อยร่างกายมันดมไปนี่แล้ก็รับรู้ไปเฉยๆแต่เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเขี้ยวไปเราไปดมเองขวามจริงเราไม่ได้ดมกลิ่นเลยตัวที่รับกลิ่นเต็มตัวก็จมูกของร่างกายใช่ไหม mm hmm. แล้วมันก็ส่งไปที่วิญญาณอีกทีไปให้ใจทีให้ใจไปรับรู้อีกทีใจเมันเพลงเดกมันดูหนังเนี่ย ดูหนังดูคนก็แทงกันฟันกันนะใครใครโดนฟันไอ้คนที่อยู่ในจอหนังใช่ไหมไอ้คนดูไม่ได้โดนฟันกันเขาทำไมไปเดือดร้อนกันเขาด้วยปลุกสติตัวเองเขึ้นมาหน่อยสิว่เราเป็นคนดูหนังนร่างกายเราเป็นตัวละครเราเป็นคนดูร่างกายแล้วดูวันเล่นละครให้เราดูอืม ใช่จะข่พระอาจารย์จะพยายามนําไปพิจารณาให้ไปป่อยใช่ไหมค่ะตัวเอ ห, หน่อยว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายเป็นผู้แสดงผู้เน้นก็ปล่อยมันเน่นไปมันจะดม ก, กลิ่นก็ดมกลิอะไรก็เรื่องของร่างกายเราเป็นเพลงแต่ผู้ดูมันดมทั้งนีเราไปไปตื่นเต้นตกใจไปกับมันทำไมแนะยากกายแยากกายแยกใจมันใช้ปัญญาแยาก แต่ถ้ามีสมาธิด้วยก็จะช่วยให้ยากได้ง่ายขึ้นถ้ามีอยู่เบกคขามากเท่าไหร่ก็จะทําให้ทาให้ใชใ้ให้บรรจจใช้ปัญญาปล่อยวางได้ง่ายขึ้นคืออาจจะทุกข์มากเพราะว่ายังเข้าสมาธิไม่ได้ด้วยเจคาขาพระอาจารย์อาศัยปัญญาอะไรอย่างนี้ เ, เจาขาทุกวันนี้เวลาแก้ปัญหาก็คืออาศัยปรรยัญญาแล้วก็อาศัยการฟังธรรมจากใต้อาจารย์แล้วก็มีเบรกพอมันมีเบรกตรงนี้ได้มาเลยทุกน้อยลงหน่อยเป็นเจ้าขาพระอาจารย์ ก็ทำมาฝึกไปเรื่อยๆฝึกสมาธิให้มากๆฝึกสติให้มากๆแล้วเราจะมีกำลังใช้ปัญญาให้วางเฉยได้โอเคค่อาจารย์เจ้าค่ะอ่าคืนนี้เพื่อนเหมือนจะเข้ามาแล้วเจ้าค่ะชื่อนงนุชเจ้าค่ะเขามีลูกชายมาด้วยไม่แน่ใจว่าเข้ามาได้ไหมเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็รู้เองนั่ขอขอไปตามคิวแล้วตอนนี้ได้เจ้าค่ะ อที่อาจารย์ผมไป่ไหลแตเชิญอาจารย์กรรมรัชการพรอาจารย์ค่ะอ่าเป็นยังไงค่ะสบายดีค่ะพรุ่งนี้จะไปตักบาตรกันค่ะกับรัชการอาจารย์ครับสองคนเมื่อเมื่อเมื่อวันเสาร์ก่อนเนี่ยแล้วเพื่อนๆยังมาสายบาตรกันดิอะไรฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตอนขึ้นมาอ๋อ แล้วฮะเจอกันไม่เห็นไม่ได้บอกอะไรครับยังไม่ได้บอกเพื่อนที่ปัติธรมือนที่ปฏิบัติธรรมค่ะรู้สึกรู้สึกถึงเสาที่ผ่านมาเน่ยถ้าจำไม่ผิดอ๋อเหรอคะเพิ่งเจอกันเมื่อวันจันทรไม่ไม่เห็นว่าอะไรเลยค่ะคุยกันเรื่องอื่นไปค่ะเรคุยเรื่องเรื่องธรรมะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอีกคนเพื่อนทั้งกลุ่มแล้วถามว่าเดี๋ยวเราออกไปคุยกันสองคนทุกคนบอกว่าขอฟังด้วยคอเริ่มพูดปุ๊บทุกคนก็บอกว่า ไม่รู้เลือกล้าก็คุยกันสองคนค่ะเดี๋ยววันนี้ไปตับบาทค่าวได้ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะคนขับรถจะไปนอนหัวข้ามนตรงออกตีสี่สิบสี่สิบห้านะผมไปถึงตรงนั้นน่าจะของโมยี่สิบค่ะ่านเ้นค่ะค่ะมาสักการค่ะไปัดีคุณเน้งสวัีคุณเน้ง อยู่ที่ไหนเข้ามาใหม่หรือยังไม่เคยเข้ามานะเคยเข้าเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนจ้าอยู่สุโขทัยเจ้าค่ะแต่ไม่ได้มาค่ะไม่นานนะพยาบาลนะพยาบาลเป็นเภสัชกรเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมเพิ่งไปเพื่นทางบ่นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์กี่วันตอคืนสามวันเจ้าค่ะอไปที่ไหนไปเอ่แถวๆพิษณุโลกใกล้ๆสุโขทัยเนาะค่ะเป็น เป็นวัดที่อยู่ในป่าเจ้าค่ะพระอาจารย์อื mm hmm. แล้วก็ตอนแรกโยมวันแรกนี่ไปด้วยทิฏฐิมานะแล้วก็เห็นตัวตันหาของตัวเองปวดหัวหมดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เข้าสมาธิก็ไม่ได้หัวจะระเบิดเข้าได้ถึงแค่ประมาณปิติเจ้าค่ะพอพอปัญญามันเดินเจ้าค่ะมันก็ไปฟันเอาไอ้พวกทิฏฐิมานะแล้วก็รู้ว่าเพราะว่าเราอยากนี่แน่แนเลย อีกวันหนึ่งโยมก็เลยเลิกปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์แบบแต่มันเข้าสมาธิได้เองโดยที่เรามันมันไปอุเบกขาเองโดยที่เห็นทุกอย่างเป็นใต้ลับหมดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเป็นเป็นปัญญานมสมาธิไปเจ้าค่ะมันเป็นมันเหมือนเข้าสมาธิแบบเราไม่ได้ตั้งใจเข้าเนี้ยเจ้าค่ะอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันเข้าอย่าไปยั้งมันเข้าไปไม่ยอมเข้าเจ้าค่ะเหมือนกับว่าตอนที่ไป กดดันตัวเองประมาณว่าลางงานมาได้นิดเดียวแล้วก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวต้องแบบต้องอให้ได้ต้อ ง, อองอให้ได้หมายมั่นปั้นมือหมายมั่นปั้นมือเต็มเธอทีนี้นอนก็นอนไม่หลับโอ้โหโยมก็เลยมันสู้การกับกิเลสเนี่ยเจ้าค่ะพอมันรู้ปึ้กรู้ตัวตัณฑาที่เราอยากปึ้บโล่งเบาเจ้าค่ะพระนนท์พระนนท์อยากจะบรรลุ พระเจ้าว่าต้องบรรลุเคยนี้ผ้าโน้นก็อยากจะบรรลุเล ย, ยเคร่ยนใหญ่เลยแล้วพ เ, เพิ่งคุยกับเก่อบจะส ว, นนว่างผ้าโนนบอกว่ากูไม่บรรลุนแน่แล้วพนนออยูุดอยากบรรลุบ้างมันก็นลกเลยบรรลุเลยเจ้าค่ะมันประมาณนั้นเลยเจ้าค่ะโยมก็เลยโอ้คือตอนนั้นโยมคิดว่า ไม่ต้องคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรเป็นอะไรอยู่แล้วมันทําไมจะต้องมาเป็นคือมันทำไมจะต้องมาอยากเป็นอยากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วมันก็โชโชโชชดๆๆๆไปเลยจนตอนนี้มันยังหมุนมันยังหมุนไม่จบอยู่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็ดูเหมือนกับว่ามันเหมือนไปหุน่นยนต์ทํางานเลยเจ้าค่ะอย่างาคือโยมหายไปสามวันเงี้ยลูกก็เล่าให้ฟังว่าเออสามีว่านู่นนั่นนี่เขาทะเลาะกันนู่นนี่นั่นเออ มันใจมันเป็นอุเบกขาโดยมันเย็นแบบไม่ต้องเข้าเข้าสมาธิเจ้าคะ่ะพระอาจารย์รมยมเข้าจเลยเข้าใจว่าอ้อที่พระอาจารย์สอนเรื่องว่าพอมันถึงข้ามขั้นสมาธิพอมันนั่นได้แล้วมันจะมาใช้ปัญญาเนี้เข้าใช่ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่เพื่อล้างความอยากเจ้าคะ่ะมันสุขแบบยมไม่เคยแบบนี้นะคะสุกของปัญญามันหนักแน่นกว่าของสมาธิเจ้าคะ่ะ มันไม่เหมือนสมาธิอะสมาแต่ตอนนี้โยมก็แบบเออเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่เหมือนพอเราพูดอย่างนี้เพิ่มหายใจสอ ง, สองครั้งเนี้ยเจ้าค่ะมันก็เข้าไปอุเบกขาของมันเองเลยเนะะี้ยเจ้าค่ะมีมากเจ้าค่ะ <c oughs> ต้องไปต้องไปเรื่อยๆนะต้อไปเ้ <c oughs> <c oughs> ค่ะค่ะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวโยมก็จะเคลียร์งานเคลียร์อะไรแล้วก็จะพยายามไปเรื่อยๆเจ้าค่ะโอเคดีนะคะมีประมาณ สาธุเจ้าค่ะอาจารย์สาธุเจ้าค่ะต่อไปคุณทีมคุณหมอสุรชัยเสนประทุมดานีนักการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่ม ah ีฐานเจ้าค่ะโอเคภาวนาไปเรื่อยๆนะเแต่วางแต่วางร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเป็นไม่ใช่ตัวเราของเราขอบพระคุณท่านพอาจารย์ อ, อุกุลมาเลอุตการจากของพอค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อขอพอครัมีมบังช่วงที่เราปฏิบัติค่ะหลวงพ่มถ้าเราผ่านผ่านมาจุดหนึ่งเสร็จแล้วกิเลสหรือว่าเวทนาตรงนี้ฝั่งพ่อเขาจะเพิ่มเพิ่มพเพิ่มดี ก, กีความแรงเหมือนเหมือนจะทำให้ให้เราแบบ หยุดการปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยพอมันมันมันเกิดแบบอย่างรุนแรงอะค่ะหลวงพ่อมันมันก็จะมีเหมือนปัญญามันมาสู้กันนค่ะหลวงพ่อมันสู้แล้วมันหมุนหมุนกันที่กลางอกเหมือนประมาณว่ามันจะคิดเองต่อบเองอย่างเงี้ยค่ะหลวงพว่าเออเนี่ยร่างกายนะมันไม่ใช่ใจนะใจไม่ใช่ร่างกายนะเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนามันมันสู้สู้กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจน นานนานจนเวทนามันระงับพอระงับเสร็จมันจะกลับเข้าไปที่สมาธิอะค่ะหลวงพอกแล้วก็ไปสงบแล้วก็สบายอยู่อย่างนี้ยะค่ะหลวงพอก็ดีก็ถูกใจแลไ้ไม่ถอยไม่ถอยค่ะแล้วพอพอมันเหมือ น, นช่วงจังหวะที่ที่เราเราสู้กันอยู่ตรงเนี้ยอะค่ะหลวงพ่อมัน มันเหมือนมันทำให้เรามองเห็นเราคิดเรานหน อ, อธิบายไม่ถูกอะค่ะเลวงพ่อมันพอเห็นจังหวะตรงเนี้ยมันจะเห็นเส้นทางที่ว่าวิธีที่เราจะเดินอย่างเงี้ยค่ะพราเราเราจะรู้แล้วว่าเออมันมันจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วให้เราพอเราสู้กันเสร็จเนี้ยมันจะกลับมาที่ที่สมาธิแล้วก็เหมือนกลับมาอยู่ที่ ลองสมมุติว่าถือลมหายใจอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็จะกลับเข้ามาในสมาธิเหมือนเหมือนกลับมาชาร์จหรือว่ากลับเข้าบ้านอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็พักเออยอดีค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วเสร็จพอผ่านจากตรงนี้ไปอ่ะค่ะหลวงพ่อมันก็จะเข้าไปอยู่ในสมาธิแบบสบายๆอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะเป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้ว พอเสร็จเนี่ยมันจะทำเหมือนมันจะสอนใจเราให้ให้เรารู้ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับมันเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ค่ะหลงพ่อมันเหมือนสอนให้เรายอมรับในสิ่งที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะค่ะหพ่อมันจะเป็นแบบแบบนี้ถ้าเราปล่อยวางได้เราก็ใจก็จะสงบเข้าสมาธิไปหรือไม่เข้าก็ได้แต่มันก็สงบแบบแบบมันอยู่ในสมาธิ ค่ะพ้อหลวงท่อคหนูสงสัยอยีกนิดนึงแล้วที่ที่บอกว่าเอ่อจิตเสื่อมสมาธิเสื่อมนี่มันมันหมายถึงว่ายังไงคะหมายถึงพวกที่ใช้สติพุทโธพุทโธเข้าสมาธิแล้วออมาหยุดพุทโธไม่ทำไม่ไม่ไม่เจริญพุทโธพอมานั่งสมาธิมันก็เข้าไม่ได้ คือว่าเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมครับ เ, เพราะไม่ใช่พไม่เวลาไม่ไนั่งสมาธิก็ปล่อยให้ใจคิดเลกื่อยไม่คอยกุ้มมันด้วยพุทธโธพุทธโธไงแต่เวลามันนั่งสมาธิจะให้มันเข้าพุทธโธมันก็พุทธโธไม่เข้าพุทธโธไม่มีกําลังนั่นก็ก็อยากจะให้มันสงบโดยไม่โดยไม่ใช้พุทธโธ แล้วพอพอมันเสื่อมแบบเนี้ยเราเราต้องกลับมาทําสมาธิทำสมาธิอย่างเนี้ยใช่ก็ต้องมาใช้พุโทโธมากลับมาเริ่มต้นที่สติใหม่มสตินั่นแหละตื่นขึ้นมาพอตื่นก็มาพุทโธพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนแล้วถ้าอย่างสมมติเราปฏิบัติทุกวันเนี้ยโอกาสที่มันจะเสื่อมมีไหมคะหลวงพ่อมันก็จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงมันที่อาจจะมีเหตุการณ์อย่างอื่นเกขึ้นมา ทำให้เราไม่สามารถมีเวลามาปฏิบัติได้ อ, อันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะรักษามันต่อไม่เมื่อที่เราเกิดไปเจอเหตุการณ์ที่วุ่นวายที่ต้องบ้านไม่บ้มีที่พักอาศัยต้องไปหาที่อยู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเรายังสามารถประครับประคองสติด้วยพุทโธได้หรือเปล่าในขณะที่เราไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ ทางทีก็บางคนก็เทงพุทธโธไปเลยเพราะมองวุ่นเกี่ยวกับการที่จะต้องไปหาบ้านใหม่อยู่ไหก็คือแสดงว่าตอนนั้นไม่ไม่มีสติแล้วใช่ไหมคะใช่ถ้าไมยังไม่ทําให้สามารถรักษาพุทธโธเหมือนกับตอนที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ก็แสดงว่าเราเทงพุทธโธไปแล้วคเพราะเรามุนไปหมกงวุ่นเกับการการอยู่รอดของร่างกายงานธารซึ่งความจริงเราสามารถทำได้ทั้งสองอย่างควบคู่ไปหาบ้านใหม่ก็หาไปแต่ใจเราต้องพุทธโธต่อไปได้ ก็ก็ก็คือว่ามันถ้าถ้าถ้าทิ้งตรงนี้ค่ะหลวงพ่อก็แสดงว่ามันยังมันยังใช้เขาเรียกอะไรยังยังมียังไม่เป็นสัพพัญญายังไม่เป็นสัพพัญญามันยังโน้มนุ่มคุกคานอยู่ถ้าไปรักษามันทิ้งมันไปปั๊บมันก็หายไปเลยแตถ้ามันอยู่ในระดับที่มันเป็นอัตโนมัติแล้วมันไม่หายแล้วหลวงตาบอกถ้าถึงระดับปัญญาสติอัตโนมัติ มันมันมันจะทํางานของมันไปเองครับที่ไม่ต้องไปบงังคับมัน<อ>แต่ถ้ายังเั็นแบบต้องคอยเข็นคอยคอยลากอยู่อันนี้ถ้าหยุดเข็นหยุดลากมันก็หายไปได้แล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วมันมีมันมีแรงส่งมันมีแรงผลักดันให้เราอยากจะปฏิบัติอย่างเนี้ยตลอดอันนี้หมายถึงยังไงคะิบาติสิไดนะ้อธิบัสีได้ฉันทามิรียทีย่เรา<อ> ได้พลังมีได้กำลังใจใยิ่งเห็นผลวนนเวลาทำงานได้เงินเดือนได้เงินดีแล้วก็อยากจะทำอีกใช่ไหมทำให้มากขึ้นใช่การหลวงพ่ อ, อพอเราเห็นผลจากการปฏิบัติมันก็เลยทำให้เรามีกำลังใจมีฉันทามีวิริยะอย่ากจะทำแต่ก็ต้องระวังบางทีมันทำเกินเลยเถิดทำแบบไม่พักผ่อนหลับนอนเลยมันก็เกินไปคือมันมันมันเกินกำลังอย่างเนี้ยใช่้แลวผลที่จะได้ครับ กับไม่ได้ดีเท่าเท่าเท่าที่ควรก็ควรจะสละพักบ้างเข้าสามาธิบ้างาเหมือนยู่นนบ้างผมเข้าขั้นแล้วห น, หนูหนูมีความตั้งใจว่าหนูจะไปอยู่วัดอย่างน้อยคือเดือนเดือนละครั้งไปไปอยู่ปฏิบัติอย่างเนี้ไปไปสินนคนหนึ่งก็ทำวันนี้เยอะแยะไปคเวว่เดือนละเจ็ด ว, วันบ้างเดือนละสิบวันบ้างบ่งคน แล้วก็ถ้าเกิดหนูหนูจองที่เขาเชีโอนได้หนูก็จะไปเพิ่มอีกสั่งหนาใช่ไหมถ้แล้วก็ต้องจองล่วงหน้าเพราะคิวมันเยอะใช่ไหมหนูหนูจองแล้วเพิ่งจะได้ค่ะแต่เป็นเดือนตุลานะคะโอ้โหตุลาเลยได้ได้ประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ถึงยีบเก้าประมาณแปดวันนะคะหว่าหนูดีใจกว่าจะได้ไม่งั้นหนูก็ต้องข่าวฟูจิกาเขาจะปิดชั่วคราวต้องซ่อมระบบน้ําำ อ อ, อ, อ, อค่ะแต่หนูไว้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวกัญญาต้นต้นกัญญาก็าจะไปอยู่วัดเองค่ะหลวงพ่อคือถ้ามีมีโอกาสหนูหนูเพิ่งหนูลืมสังเกตตรงที่ว่าตั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาหนูจะไปอยู่แบบเนี้ยทุกเดือนเลยค่ะหลวงพ่อเนี่นค่ะไม่ขึ้นทางเรือนมันจะได้ไปถึงเลยวกว่านิดนกลับมา กลับมาแล้วมันมันมีอะไรที่ขยับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพ่อแล้วมันมีแรงที่จะทําอ่ะค่ะลพ่อมันจะมีกําลังอยากจะทํามากขึ้นมากขึ้นไปต่อไปก็ไม่อยากต่อไปก็อาจจะเล่าจากงานไปเลยไปปฏิบัติให้เต็มเต็มที่เลยหนุมคิดอยู่ตลอดคิดอยู่ตลอดเวลาเลยพอแต่บางทีก็ต้องตัดต้องตัดตัดไปว่าเออตอนนี้ยังมีภาระยังมีหน้าที่แต่ว่าหนูไม่ทิ้งพ่อหนูพ่อ ปฏิบัติมันก็ต้องคิดถึงวามตายบ้างไม่ว่าเราหรือเขามันก็ต้องตายพารกกาต่างๆมันก็ันก็แค่มันก็แค่ตายเท่านั้นอหนูหนูกำลังพยายามคืบคานว่าไปทางนี้เยอะๆค่ะหนูก็ก็ลองหาให้คนอื่นเข้ามาทำแทนเราเนี่ยย้างคนอื่นมาทำแทนเราบ้างเราจะได้มีเวลาไปทำ ทุกคนจดจ้องหนูหมดแล้วค่ะหลวงพ่อหนูก็แต่หนูก็หนูก็จะไปค่ะหลวงพ่อจะไปอยู่วัดจะไปไปบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็คือตอนนี้ตอนนี้ห้ามไม่ได้แล้วหลวงพ่อใช่หนูจะไปหนูจะไปไม่เป็นใครเป็นที่พึ่งเได้นอกจากธรรมะใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วยิ่งมันเห็นความก้าวหน้าขึ้นถึงแม้ว่าหนูจะขยับทีละนิดแต่มันเห็นแล้วมันมี มันมีกําลังใจอย่างมากๆค่ะหลวงพมันตั้งใจค่ะ<ล>หลวงพ่ออิติบาทสีน่ามีการขึ้นมาเลยเก็บหมดค่ะหลวงพ่อใครมีอธิบาทสีนีน่ก็บม่นานก็จะสําเร็จรอิติแปลความยิ่งใหญ่บาทก็คือทางทางสู่ความยิ่งใหญ่ทางสู่ความสําเร็จก็คืออิติบาทสีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา ดีนนะพยายามทำไปเรื่อยๆรกักษาระดับการปฏิบัติไว้อย่าให้มันน้อดน้อยน้อยถ้าน้อยลงมันก็จะเสื่อมไดไมไม้ไม่ไม่นอ้อยค่ะหลวงพ่อนอกจากมันจาเป็นจริงๆบางครั้งบางคราวมันมีเหตุการณ์ที่สุดวิสัยก็ต้องปรับไปบ้าง<ต>อย่าใจยาให้มันไปไปเพราะความพิเกียรของเราแล้กัน ม, มีแรงค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติ ตีสามก็ตื่นถึงก่อนตีห้าแล้วก็ไปต่อที่บริษัทสี่อพอเจ็ดโมงงแปดโมงครเสร็จแล้วก็เดินเดินจงกรมต่ออย่างเงี้ยค่ะเดินจากาชั้นบนลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยซึ่ ง, ซ, งซึ่งก็ไม่มีคนรู้ ท, ทุกเวลาก็มีสติตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะงพ<อ>เก็บหมด ท, ทุกอย่างทำอะไระเราก็มีสติอยู่กับงานที่เราทำไปค่ะแล้วก็ ช่วงเย็นเลิกเลิกงานห้าโมงหนูก็เดี๋ยวนี้หนูก็ไม่ได้อยู่ข้ามแล้วคือรีบรีบกลับมาเพื่อที่จะมาปฏิบัตินะคะหล้อก็วันนี้หนูรายงานหลวงพ่อประมาณนี้สาธุจ้ะมาธุค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากค่ะนะโมคุณายคุณยายสวัสด อาจย์คุณยายมีอะไรไหมก็คุณยายฝากคําถามมาให้พระอาจารย์เพียบเลยครับวันนี้ถามาเลยเออตั้งอ่าพอดีว่าวันนี้คุณยายเข้ามาฟังในซูมครับผมอาจารย์แล้วคุณยายก็ได้ยินอ่าที่พระอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของสมาธิคุณยายก็เลยเหมือนมาแตกผมแล้วมาถามผมว่าเนี่ยสมาธิที่พระอาจารย์สุชาติพูดถึงเนี่ยคืออะไร ผมก็เลยบอกงั้นยายก็ถามท่านเลยแล้วกันพระว่าเพะว่าเดี๋ยวก็จะได้สนทนากับท่านแล้วนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ให้คุณยายได้รับฟังกระจ่างว่าสมาธิในที่นี้คืออะไรครับก็คือความนิ่งสงบของใจเราเนียไม่คิดไม่อะไรไม่รับรู้อะไรอยู่เข้าข้างในไปอยู่นิ่งๆเฉยๆสักแต่ว่ารู้อัอนนั้นร่างกายก็ไม่สนจร่างกายก็หายไปจากใจ ต้องจะเข้าสมาธิเนี่ต้องใช้สติอือพุทโธพุทโธธแล้วดูลมหายใจเข้าออกค่ะพุทโธพุทโธค่ะอครับต้องทําไปจนกว่ามันจะหยุดคิดพอหยุดคิดพุทโธก็หยุดปั๊บมันก็เข้าสมาธิไปอันนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆความคิดก็หายไปพุทโธก็หายไปแล้วแต่ความว่างความเย็นความสบาย ขยันพุโทโธไว้นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่ายไปคิดเลย อ, อย่าไปคิดถึงสมาธิอยากคิดว่าเมาื่อไหร่จะเป็นทันทีมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวเราไ่คิดถึงสมาธิก็มันก็เป็นความคิดละแล้วต้องการหยุดความคิดแต่เราไปคิดถึงเมื่อไหร่มันจะเข้าสมาธิทันทีพุโทโธ ถึงเมื่อไหร่มันถึงจะถึงจะเข้าไดนนม้มันแสดงว่าไม่ได้พูดโธแล้วคิดแล้วต้องหยุดคิดให้มีแต่พุดโธพูดโธอย่างเดียว <Okay. S 1> แล้วก็พระอาจารย์ครับคุณยายได้ฟังเทศของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์สอนเรื่องการปฏิบัติครับแล้วก็คุณยายก็อยู่ๆก็มาปรึกษาบอกกลัวเพราะว่าพรากว่านี้พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวแล้วเวลา จะทำเรื่องของปัญญาที่พระอาจารย์สอนลืมทุกทีเลยครับเพราะเป็นเรื่องของสมอ ง, มองก็เลยองไม่ไมไมก็เลยบ ER! แบบยากจะถามพระอาจารย์เพราะว่ า, ว า, ญาญคุณยายกลัวว่าเราพุโทโธพุโทโธตลอดอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ถ้าเป็นถ้าไม่ลืมพุโทโธก็ไม่ลืมเรื่องตอนนี้ให้ฝึกพุโทโธพุโทโธไปก่อนหยุดคินให้ก่อนคระอาจารยคุณยายกลัวจะไปเป็นพรองครับกลัวจะอดมรรลุธรรมแล้วไปเป็นพรอง เราก็สลับสลับกับพุทโธก็คิดถึงเกิดแก่เจ็บตายก็ได้เราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ไดเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราืเอเราเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่เราเ ร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ก็เป็นปัญญาตอนไปแยกเราตัวเราออกจากร่างกายนะร<ะ>่างกายเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปไม่ต้องไปทุกข์กับมันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไป <Okay. S 1> อันนี้ถึงเป็นปัญญาเจจา ต่งงางหากจำเป็นเป็นโลกที่อะไรนะสมองเป็นโลกเกี่ยวกับ่อนยังไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะอตอนออตอนี้ทำํท ำ, ทำ ม, มันล้าถูกเลยนะคะก็นี่แหละการทำการทปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เห็นความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราะ นะฝึกไปสลับกับพุทโธสองอย่างเลยพุทโธก็เป็นสติเวลานั่งสมาธิก็พุทโธพุทโธเวลานไม่ได้นั่งสมาธิก็คิดถึงร่างกายการแก่เจ็บตายดื่มน้าลมไฟไหมก <Okay. S 1> ็จะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาสลับกันทวคนละครึ่งทําสมาธิขึ้นทําปัญญาขึ้นอืมค่ะเป็นจ้ แล้วก็ในส่วนของการบ้านผมก็จะมาส่งพระอาจารย์ครับผมก็พยายามทุกวันนี้พอตื่นขึ้นมาก็พยายามทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นให้มีสติต่ตอเนื่องจนกระทั่งไปโรงเรียนไปโรงเรียนเราก็จะพยายามดูสิ่งต่างๆที่เข้ามาครับแล้วก็น้องเข้าสุกดตายรักให้ได้มากที่สุดครับผมอาจารย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนปรึกษาพระอาจารย์ อยากได้คําแนะนําคือเรื่องของอสุภะกรรมฐานครับอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราพิจารณาโครงกระดูกมันก็ยังไม่แม่นเท่าไหร่แล้วก็พอเรามาอสุภะกรรมฐานครับอาจารย์บางทีเราเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นเราก็พยายามทําให้เขาเป็นอสุภะแต่บางทีเราก็ทํำยังไงมันก็ไม่อสุภะสัทีเราจะจินตนาการเท่าไหร่ก็จินตนาการไม่ออกนียครับอาจารย์ถ้าเราจินตนาการเขาเป็นอสุภะไม่ออกเราต้องทํำยังไง ก็ดูภาพมาซื้อภาพบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งดูเกวันน่ะก็เอ่อดูอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเราจะเปิดหนังสือเปิดหนังสือกายกตาสติมนดูภาพตแล้วเราดูดูดูมือถือวันละกี่ชั่วโมงอะเยอะครับก็ให้เราดูสุภาพมันก็ดูมือถือสิขอบอาจารย์แล้ไม่ดูมันก็จําไม่ได้ ดูบ่อยก็นาโหลดเข้ามาไว้ในมือถืออนะทุกครั้งเมื่ออยากจะเปิดมือถือก็เปิดแลกายกรตาสติเข้าไปคันควรตั้งเป็นภาพพื้นหลังเลยไหมครับว่าตั้งถ้ามันไม่ดูมันมันก็มันก็ร้ายบอยตั้งไปครท่านท่านตั้งแล้วไม่ดูก็มันก็มันก็ไม่ได้ดูอยู่ดี เดี๋ยวเขาะว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป็นภาพพื้นหลังเผื่อยังไงเราเปิดมาเราก็จะได้หันแวบมาเห็นปุ๊บเราก็เห็นอยู่บม่อยบ่อยอลองดูเถอะลองดูนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมลองเอาภาพนี้ไปตั้งเป็นแบกกล่าวได้อืดูน้อยมันก็จําได้น้อยหน่ยถ้าดูบ่อยๆต่อไปหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนี่เวลามองนั่งกายออกเราก็นึกสึงว่าสุภาพมันก็โผล่ขึ้นมาได้รไไไดครับอาจารย์เพราะว่า ตอนนี้ผมหันมามองว่าตอนนี้สมาธิเราก็ต้องทำแต่อสุภะก็ต้องทำเพราะหันท่าภายนอกเรายังละไม่ได้ไอตัวขท่นหน้าเราเนี่ยเรายิ่งละไม่ได้เลยเราต้องละทั้งสองอย่างเราทำสลับกันสมาธิกับปัญญาไม่คนละเครื่องทำสมาธิเครนึ่งทำปัญญาเครนึ่งสลับกันไปนอกจากว่าถ้าเรายังไม่มีสมาธิก็ต้องทำสมาธิให้ได้ก่อน จนนั้นก็ยังไม่นาทำปัญญาพวเราทำสมาธิแน่นะทีนี้เราก็มาแบ่งทำปัญญาครึ่งหนึ่งทำสมาธิครึ่งหนึ่งจารจครับเดี๋ยว<ะ>เข้าใจแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เรา <c oughs> ต้องดูให้มากกว่าดูมือถืออ่าครับอาจาดูดูบกควนานางงามหหรเปล่าน า, นางงามแต่กวาง ก็อพระจารย์ครับผมผมว่าผมเป็นคนที่แปลกคือเราดูเขาประกวดนางงามว่าเราเราไม่เราไม่ค่อยเห็นเขาสวยทนาไหคือเหมือนแบบแต่ก็ไม่เห็เขาไม่เห็นว่าก็เป็นหอนสุภะนะไม่ไม่เห็นอสุภะแต่ไม่มองว่าสวยแต่ก็ในขณะเดียวกันไม่มองว่าเป็นอสุภะมองว่าเป็นคนปกติธรรมดาเราเราไม่ได้มีแบบไปในเชิง ก็ทำไมไม่ไปมองว่าให้เป็นอสุภาพไลยชั่วโมงชั่วโมงการดูภาพเหล่านั้นอย่างน้อยครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปตั้งเป็นพื้นหลังเลยครับอาจารย์แล้วไม่เปลี่ยนด้วยจะทําจนกว่าจะมองทุกคนเป็นอสุภาพเลยครับอาจารย์โอเคมองอยู่ได้ครับอาจารย์แล้วก็ขออภัยด้วยที่วันนี้เปลี่ยนชื่อไม่ทันครับผมอาจารย์พอดีวันนี้เปลี่ยนห้องเข้าสูงครับผม มาไม่เป็นไรหรอกก็คนเดิมอยู่ดีจะชื่ออะไรก็คนเดิมอยู่ดีโอเคนะหมดแล้วนลขอพระอาจารย์พัดคันแข็งแรงปุ้ยยายพูดโทไว้นะทําใจสงบขอบพระคุณพระอาจารย์เป <oh ็นอย่างสูงครับุณนิสาเอเอเกิดกลับมาสังสรรค่ะพระอาจารย์ว um, ันนี้ลูกไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ดีปฏิบัติอยู่เหมือนเดิม ปฏิบัติเหมือนเดิมเข้มข้นค่ะพระอาจารย์อ่าดีเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆได้ไหมคะอาจารย์มันขึ้นเงินเดือนแล้วขึนเงินเดือนเรื่อยๆค่ะพระอ า, าจารย์เพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่าจเจริญสติเยอะแล้วก็ทําให้เข้าสมาธิดีค่ะพระอาจารย์ อ, อยู่กับเวทนาได้ค่ะอะ่ดีแล้วสติดีๆใจมันจะเน้นมันจะไม่มไมทุกข์กับเวทนา ค่ะพระอาจารย์ก็ก็คิดตลอดเวลาว่าอยากจะให้มันอยู่แบบนี้แต่ก็อีกทีก็คิดว่าไม่ได้ละเดี๋ยวมันจะเป็นกีเลสต้องปล่อยมันบ้างค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคาถามค่ะก็ยังคือคือปัญหาของลูกมันอยู่ที่การคือความเวทนาความเจ็บปวดจากการที่อ่าทำสมานั่งสมาธินานๆแต่ตอนนี้เหมือนกับสามารถโฮมันได้ค่ะ ไม่ไม่ไม่ไม่ได้เผาไม่ได้ใช้วิธีการเพ่งการเผาร่างกายยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะคือคือสามารถอยู่กับมันได้อะค่ะคือโฮโฮมันโฮมันได้ค่ะแต่วันยังอยู่นะคะความเจ็บมันยังอยู่แต่รู้สึกว่ามันอยู่ประมาณแค่ไม่ค่ะไม่ค่ะรู้สึกว่ามันยังอยู่ค่ะพอทนได้พอทนได้ทนได้ค่ะอืค่ะก็ถ้าเพิ่มอีกก็เดี๋ยวก็ถ้าเพิ่มเวลา ตอนนี้สงยังไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกแบบนั่งเป็นช่วงๆอะค่ะ <Okay. S 2> มันยังมีมีภาระอย่างอื่นอ<ม>าจารย์ก็น้อมนำปฏิบัติค่ะอาจารย์อันนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นไงดีขึ้นยังม่ยังอ๋อดีดีขึ้นแล้วคะ่ะ<ม>ของของรุยที่ลูกอยู่ไม่ไม่โดนเยอะค่ะแค่ ไม่ไม่ค่ะแค่แค่แค่แบบตกทั้งวันไปทางปามสปริงเ้ามากกว่าใช่ค่ะปามสปริงกับซานเบิร์นตรงที่เดิมที่เขาตรงแถวแถวเดิมที่เขาโดนหิมะเยอะๆอะค่ะแล้วโดนซ้ำอีกค่ะโอ้โหแย่เลยค่อนเป็นพวกแบบน่าจะเป็นพวกมัตสไลายอะค่ะแล้วก็ทะเลทรายมันก็จะแบบท่วมมีขนมีทรายออกมาเป็นโคลนเป็นอะไร ใช่ค่ะตรงตรงโซนเดิมเลยค่ะปามสปริงซานเบิร์นตรงเท่ๆนั้นค่ะเอลเอไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะแค่ฝนตกโดนแต่ฝนฝนตกน้ำท่วมบางจุดที่ที่ต่ำๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันเปลี่ยนจากทอร์นาโดเป็นเป็นลดลงเป็นไซโคลคะก็ดีขึ้นก็เดี๋ยวคงมีอีกอะค่ะอาจารย์น่าจะเป็นโซนโซนอื่นมันโดนอยู่แล้วอะค่ะอาจารย์ อนัตตาค่ะะอาจารย์อยู่กับมันไปไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุน้อมนาปฏิบัติค่ะะอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงคะสาธุค่ะขอให้ชาวคาปลอดภัยนะค่ะตาทุค่ะคุณนันต่อนอุณนรธานีอ่ากตัญมัค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามค่ะโอเคไป thank y o t กโดนเหมือนังไม่ใช่ตอนนี้ ว่าไม่กลับมามาสักการอาจารย์นะคะโอ๊เออส่วนใหญ่ทางทางใต้หน่อยเช้ค่ะของลูกอยู่เจ้าค่ะลูกอยู่ทางเหนือเจ้าค่ะก็เลยไม่มีแต่ร้อนไม่แต่ร้อนขึ้นร้อนขึ้นตอนนี้ก็สี่สิบกว่ามาไม่ยังไม่ลดเท่าไหร่เลยเช้ค่ะอืมก็ อยูไปพอดีอลูกเอมีคําถามคืออยากจะทราบว่าทางที่เอที่ลูกฝึกอยู่นี้ไม่อะจะถูกทางไหมอ่ะเจ้าคะ่ะก็คือว่าคือลูกอลูกจะพยายามฝึกว่าให้นึกว่าเราฝึกเพื่อเตรียมตัวตายอ่ะเจ้าค่ะเวลาแบบนั่งสมาธิแล้วเวลาเกิดเวทนาลูกจะพยายามหาล่องของคือดูลมหายใจ เพื่อที่จะหาล่องว่าถ้าเราจะตายแล้วเวทนามามันคงจะรุนแรงมากแล้วเราจะไปยังไงลูกก็จะเกาะเกาะลมหายใจอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็พอดีวีอยู่วันนึงก็เกาะก็รู้ว่าเออถ้ามันจะตายมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ก็สุก็อยู่กับมันนะเจ้าค่ะว่าเราถึงวันตายเราคงเลี่ยงไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกแบบนี้ไปจนทั่งแบบวันนึงมันมันเห็นว่ามันมันเริ่มมันเริ่ม แยกอ่ะเจ้าค่ะความเจ็บออกมามันยังเจ็บอยู่แต่ว่ามันมันไม่รู้สึกทีนี้ลูกก็มอลูกก็อยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆก็เหมือนกับมันหาไปว่ามันมันไม่ที่เรารู้มันไม่เจ็บแต่ที่มันมันทรมานคือความอยากอ่ะเจ้าค่ะคือมันคือตัวของความอยากที่เราอยากจะออกหลุดออกมาเจ้าค่ะลูกก็เลยพยายาม มันเห็นแต่ความอยากอะเจ้าค่ะมันก็เลยลูกก็เลยแบบอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อยู่กับลมเพื่อจะได้ไม่ไ ม, ไม่ไปทําตามความอยากเลยใช่เจ้าค่ะ <c oughs> คือคือมองแล้วว่ามันมีแต่ความอยากเท่านั้นคือมันไม่ได้ <c oughs> คือไอตัวที่ตัวที่ลูกอยู่กับมันคือมัน มันมันค้นหาว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรอมันมีอย่างเดียวมันคือมันมีแต่ความอยากเ<ม>ท่านั้นนะ่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบอยู่กับลมหายใจเพื่อว่าพยายามสร้างล่องว่าถ้าวันนึงเราตายแล้วเราเจอความทุกข์ทรมานสาหัสที่กําลังจะตายเราจะไปยังไงถ้าลูกฝึกแบบเนี้ยเวลาลูกตายลูกจะไปอย่างสงบได้ไหมเจ้าคะเหมือนกับตอนที่ลูกฝึกแบบแบบเนี้ยเจ้าค่ะลูกก็ ฝึกจนกระทั่งแบบคือมันก็อยู่ของมันได้อะเจ้าคะ่ะมันก็ได้แบบชั่วคราวก็หมายความว่าเราก็ยังกลัวมันอยู่เรลาเจอมันเราก็ยังกลัวมันอยู่ยังอยากอยู่เพียงแต่ว่าเราใช้สติคอยหยุด ค, ความองไว้ประคองไว้ประคองไว้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะประคองไปไปเรื่อยๆแต่ถ้ า, า<ๆ>เรามีโอกาสเราฝึกระดับปัญญาได้มันยิ่งจดีกว่า ระดับสติตอนนี้ถ้า mm hmm. ยังใช้ให้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้ใช้สติไปอย่างนี้ไปก่อนจ <Okay. S 2> นกว่าเราเราสามารถใช้สติย้ำย้ำความอยากได้ขั้นต่อไปเราก็เริ่มาใช้ปัญญาสอนใจว่าเนี hmm. ่ยสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากใช่ใชแล้วสิ่งที่เราอยากให้มันอยู่ <Hi. S 2> หายไปมันเราไปไปห้า ม, มไปได้ไปสั่ง้้เจา แล้วว่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมันจะอยู่ก็อยู่ไปอย่าไปอยากให้มันหายใช่เจ้าค่ะลูกลูกเหมือนกับแบบมันมันมีความรู้สึกเริ่มยอมรับแล้วเวลาเวทนามามันมันเหมือนกับว่าเวลานั่งแล้วอยากให้เวทนาเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ฝึกแบบเพิ่มกำลังไปเรื่อยๆเจ้าค่ะมันมีความรู้สึกที่อยากจะเห็นเห็นให้มันเห็นให้มันแบบขาดแบบแบบ ไปเลยไม่ได้ไปอยากมานั่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มาไปเรื่อยๆชาเจ้าขาเจ้าขาเจ็บก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็เลยแบบพอมันเจ็บก็มีความรู้สึกว่าเออเราได้ฝึกเตรียมตายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นรางวัลที่กับอืเป็นรางวัลแทนที่เราจะรู้สึกทุกข์กับกลายเป็นว่าเอะมันเป็นรางวัลที่เรากําลังจะได้ฝึกเตรียมเตรียมตายอีกรอบแล้วนะเตรียมตายอีกรอบแล้วมีความเจ็บความลกมาเล็กก็ได้ตอนนี้โลกมาเล็กมาแลเจ้าเจ้ค่ะ เอค่ะลูกจะแบบจินตนาการว่ามันลูกกาลังจะตายแล้วเวลาพอกําลังคิดแบบนี้ยแล้วอยู่กับเวทนาแล้วพอพอพอปล่อยกับเวทนาให้มันอยู่ของมันไปแล้วเราอยู่กับรู้ว่ามันถ้าเราเราไม่เราไม่ไปทาตามความอยากเราก็จะหลุดเด้อเจ้าคะ่ะลูกรู้อยู่บแบบนี้ลูกก็ไปเรื่อยๆแล้วมันก็สงบคือทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ได้เดือดร้อนกับอะไรอะ่ะเจ้าค่ะเราอย่ากก็อยากให้มันหายกันแล้วกัน จนไปขยับร่างกายให้มันหายแล้วมันไหให้มันอยู่ไปไม่รับขยับร่างกายเจ้าค่ะลูกลูกฝึกอย่างนี้ไปแบบไปเรื่อยๆพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมเจ้าคะตอนนี้ถ้ามันทำใจเราสงบก็ก็ได้เจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็พอสัทพอเริ่มด้านก็คือเริ่มฝึกทางด้านปัญญาให้พิจารณาแต่ทีนี้ จำเป็นไหมเจ้าคะที่จะต้องแบบว่าสงบขนาดที่ว่าขายไปหมดอะเจ้าคะ่ะหรือว่าถ้ายังมีทุกอย่างยังเกิดอยู่แต่เราไม่เดือดร้อนเราสงบก็คือโดยที่ทุกอย่างยังอยู่อะเจ้าคะ่ะก็คือเวลามันเกิดมาเราก็าไม่ต้องใช้สติใช้ปัญญาแทนอตอนเราใช้สติแล้วก็ดูลมไปไม่ไม่ไปสนใจปล่อยให้มันเจ็บไป แต่เรายังไม่เห็นปัญญาด้วยปัญญาว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอนินจังหรือไม่มันเป็นอนัตตาหรือเปล่าที่เราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากให้มันหายใช่ไหมแล้วเราทำให้มันหายได้ไหมเป็นไม่ได้ก็ต้องหัดอยู่กับมันไปนี้ความหมายเพื่อปัญญา mm hmm. แล้วถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ต้องสแสดงว่าสติเรามีกําลังน้อยก็ใช้สติช่วยดูลงะละพุโทโธไป ไอ้ทั้งสองอย่างมันต้องเป็นคือต่อไปเราจะต้องมีความรู้สึกว่าเราไม่เราไม่มีความสนใจว่ามันจะมาหรือไม่มาอมปล่อยให้มันมาเหมือนหยินฟ้าอากาศไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะบางทีอ่าบางทีลมหายใจก็หายไปแล้วลูกก็อยู่กับความความว่างคือคือคืออยู่กับอยู่กับความรู้สึกโดยที่แบบ อยู่กับความว่างไปอ่ะเจ้าค่ะอยู่กับมันไปทำมันจะสาใจมันจะว่างมันจะเฉยเนี่ยทำมันเฉยก็ต้องไม่ต้องทำอะไรแตวถ้าเกิดนั้นถ้าการนั้นชกใหม่ก็ต้องใช้ปัญญาและใช้สติใหม่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกจะพยายามฝึกสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่า คือลูกเคยนั่งสมาธิแล้วคือคือร่างกายหายไปเลยแล้วมันเหมือนกับอยู่ในจักรวาลนะเจ้าค่ะคือมันต้องเข้าถึงตรงนั้นหรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าตอนเนี้ยคือลูกไม่สามารถเข้าตรงนั้นได้แต่ลูกสามารถที่จะอยู่กับอยู่แบบที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังอะเจ้าค่ะแต่ว่าสภาพแวดล้อมก็ยังยังดําเนินของเขาอยู่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะยังได้ยินเสียงยังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกจําเป็นต้องเข้าไปถึงสมาธิถึงจุดนั้น คือจุดแบบร่างกายหายไปเลยไหมเจ้าคะถึงจะได้ตัดตรงนี้ได้ลูกยังสงสัยเลยเจ้าคะ่ะก็แล้วแต่ว่าเราเข้าไปได้ป่ะเข้าไปได้ก็ดีถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เราปรากฏอยู่โดยที่ไม่ไปทุกกับมันได้ใช่ไหมคะเจ้าคะอยู่ บ, บันบี้ก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่นะก็แต่ถ้ามันเข้าไปนั้นได้มันจะมีกาลังมากที่จะทําให้เราเวลามาฝึกอยู่กับมันให้อยู่ได้ง่ายกว่า เพอเราเวลาเข้าไปเล็กๆอุเบกขามันจะมีกําลังมากกว่าแล้วเวลาเรามาใช้ปัญญาพิจารณาให้อยู่กับเวทนามันก็จะอยู่ได้ง่ายกว่ามันจะมันจะตัดได้ง่ายขึ้นมีกําลังมากขึ้นอือนี่มันก็ขึ้นอยู่ที่เวลาที่เรานั่งว่ามันมันนั่งแล้วมันจะมันจะได้แบบไหนบางทีวันไหนสติเราดีมันก็เข้าไปโดยที่ไม่ผ่านทุกขเวทนาก็ได้ ใช่ใช่เจ้าค่ะบางทีมันก็ไปไม่ไม่ป่วยทันติมันไม่ดีมันก็มันก็มันก็มาเจอทุกขเวทนามันก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ทุกขทุกว่าอยู่กับมันไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะบางทีมันก็มาเร็วมันก็มาเร็วเจ้าค่ะที่มาเจ็บก็คบางที่ก็เจ็บช้าทุกก็มาคือเล้าหมายก็คือพยายามสอนใจให้เราไม่ไม่กลัวความเจ็บเพราะแล้วมันเจ้าค่ะ เจ้าค่ะอยู่กับมันได้มันมาเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะตอนรับเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกพยายามฝตรงนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะขอตรงลูกคิดว่าเอาลูกจะตั้งใจแบบพยายามฝึกตรงนี้ให้ผ่านให้ผ่านก่อน <c oughs> นะเจ้าค่ะเรื่องของเรื่องของเวทนาเพราะว่าลูกคิดว่าถ้าวันหนึ่งลูกต้องตายจริงๆริงลูกลูกอยากตายอย่างอย่างรู้ว่าเราจะต้องไปยังไงคืออย่างสงบ <c oughs> คือขอให้แบบ แบบคือรู้วิธีตายอะจบแค่นั้นจบไม่ก็มีสองวิธีวิธีสติถ้าสติแล้วดีแล้วก็<ด>เราก็หลบเข้าไปในสมาธิแต่อันนี้มันจะมันก็จะไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ถาวรวิธีถ้าแก้ปัญหาถาวร้วต้องไม่หลบมันแล้วก็ใช้ปัญญาสอนให้ใจอยู่กับมันให้ได้ดอย่าไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้เวทนามันหาย มันอยู่ก็อยู่ไปแต่เราจะสอนใจไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เกิดความอยากปล่อยให้วทนามันมามันไปของมันเนีเ่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเราลูกจะฝึกสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้ว เ, เป้าหมายเป้าหมายทีต่ตั้งใจไว้สักวันหนึ่งคงคงได้สักวันหไปดังนั้นนเราจะไม่กลัวความเจ็บจะตายจะเจ็บมันอไหรก็เจ็บได้ไม่เดือดร้อนอือค่ะ กราทูเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะน้อมนําเจ้าค่ะถ้ามันเป็นขั้นนั้นมันก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดนะครับปวดนี้<ต>ไม่มีความจำเป็นอะะก็เมื่อเราเมื่อเราต้องเมื่อเราเมื่อเราไม่ได้ต้องการให้มันหายมันจะเจ็บก็เจ็บไปไปกินแก้ยาแก้ปวดทำไมเจ้าค่ะตอนนี้ ร, รู้สึกว่าถ้าแบบคือพอร่างกายเจ็บรู้สึกว่าบางทีเหมือนเป็นเป็นรางวัลที่แบบเฮ้ยให้เราได้ได้ได้มีโอกาสบ่น ได้ทุกข่าวได้ทดสอบเจ้าค่ะเจ้าค่ะบางทีเวลาลูกนั่งแล้วเวลาเจ็บเร็วเนี่ยลูกจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องนั่งนานดีมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้ทดสอบได้อาคารกันไปเลยเอาจนเป็นเอากันตายไปเลยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกกับกายเป็นซาร์เดนหรือเปล่านี่ต้องมันนิน่อยมันนิน่อยรู้สึกแบบมาแล้ว no p โ i n no gain เนี่ยภาษาว่านเรเลยเจ้าค่ะ โอเลยแบบพอนั่งไปแล้วแบบโอมาแล้วดีใจบอกมาเลยมาเลยเตรียมพร้อมจัดรูปจะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะลูกจะพยายามฝึกฝึกสลับนั่งแล้วฝึกสลับใช้สติกับปัญญาสลับไปเรื่อยๆเจ้าค่ะให้ให้ให้เกิดความชินให้จิตได้ได้สอนจิตให้จิตเกิดความชินแบบเนี้ยเจ้าค่ะไปเรื่อยๆเจ้าค่ะมีความรู้สึก ใช้ได้ทั้งสองวิธีใช้สติก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้เ <c oughs> จ้าค่ะเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณมาริก า, าที่ว่าแบบน้ำมักสกลาเจ้าค่ะพ่อาจารย์ก็ุกคนได้ฟังทำแล้วก็นั่งสมาธิทุกวนันแล้วก็ในช่วงนี้เข้าพรรษาก็ให้คุณพ่อไปตัดบาท ด, ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงชาาคุณ พ, พ่อได้ ให้คุณพ่อจดบุญแล้วก็ก่อนนอนค่ะตอนนั้นแล้วก็คำถามของลกูกมีอยู่เหมือนคําถามค่ะเพราะว่าเวลาเราได้ทําบุญนะคะพระอาจารย์ร้ได้ทําบุญแล้วจิตใจของเราเบิกบานแล้วก็เป็นนั่งสมาธิได้ดีไอ้ตัวนี้มันคือความอยากใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ไม่มันมันเป็ น, ปน <c oughs> ความสุขใจที่ได้จากการทําบุญทำให้ใจสง บ, บมากขึ้นถี่มันนั่งสมาธิมันก็เลยสงบมากขึ้น <c oughs> ลูกมีคําถามแค่นี้นะคะพ่จาจันโอเคเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ะา่อจัน mm hmm. คิดว่าลูกคิดว่ามันเป็นความอยากที่แบบว่ามันอยากอยากให้นั่งได้เพราะว่าที่ผ่านมาที่เคยพูดกับพ่อาจาย์ก็ไม่ใชีความอยากจะนั่งสมาธิมันก็เป็นของดีถ้าไม่อยากมันก็ไม่นั่งก็ไย mm ้ hmm. ใช่ไหมอยงเวลานั่งเวลานั่งเราก็อยากไปอยากให้มันนิ่งเพราะว่า มันไม่นิ่งเพราะความอยากมันนิ่งเพราะสติแต่ความอยากนั่งสมาธินีน่ต้องมีก่อนถึงจะมานั่งสมาธิได้ถ้าอยากจะไปนั่งดูหนังมันก็ไปดูหนังแทนดังนั้นการอยากมานั่งสมาธิมันก็ต้องเกิดขึ้นก่อนพอเราเกิดความอยากนั่งสมาธิเราก็จะได้มานั่งสมาธิได้แต่เวลานั่งสมาธิแล้วก็อย่าไปอยากให้มันสงบโดยไม่ได้ทำอะไร เมื่อนั่งสมาี่แล้วก็ต้องใช้สติฝึกการสติพุโทโธพุโทโธไปันถึงจะสงบได้ตอนนั้นก็อยากประหยากให้มันสงบปล่อยให้พุโทโธจัดการให้มันสงบมเองเข้าใจั้มเข้าใจข้าข้าถามพระอาจารย์สารุจเจ้า่โอเคอ่าปฏีคุณสุบัตตนาบอวินชนบุรี ก่าวัมมาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามารวมฟังธรรมเจคะอืมวันนี้มาฟังบ่อยแลนวะมาฟังเทศอยู่ด้วยเอ่อตั้งใจเจ้าค่ะพระอาจารย์อื ม, มีโอกาสว่าเจ้าในายให้เอารถไปใช้ได้แล้วก็เลยอืเก็บเก็บแทมไว้ให้มากที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์มีโอกาสแล้วมีโอกาสท<น>ำได้เท่าไหร่รีบทําเสียนะน้ำน้ำเกินให้รีบตัดเดี๋ยโอกาสหมอยกัเมินน้ํารถเนี่นะคะ ตอนนี้ก็เพียรทุกอย่างเลยเจ้าค่ะอืก็ขออนุญาตีกนิดหนึ่งเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็กําลังกําลังคิดเหมือนอย่างที่พอดีเอคุณสุภัสุภัตราใช่ไหมคะที่ถามเมาื่อสักครู่คือโยมกําลังกําลังคิดว่าเตรียมตัวเหมือนกันเจ้าค่ะอาจารย์ว่าพอถึงเวลาตายนี่มันจะได้ไม่ต้องกังวลก็เตรียมตัวเหมือนกันเจ้าค่ะอาจารย์พอ ส, สุดตรงนี้ด้วยเจ้าค่ะอาจารย่ยวกับงความเจ็บเกีับงคามตายมันก็ละข้อกันนะ เจ้าค <isty Familien> ่ะเหมือนกับเอโยมเคยเป็นเคยป่วยเป็นเขาเรียกติดเชื้อในกระแสเลือดเจ้าค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่เราลองเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้กลัวว่าจะตายอันนั้นเป็นการเป็นเป็นธรรมชาติของมันเองหรือว่ายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเราไม่ได้ละว่าเราเราจะไม่ไม่กลัวตายนะตอนนั้นยังไม่ได้มีความรู้สึกนี้เพียงแต่ว่าพอเราป่วยเราเราป่วยแต่เรา ปล่อยให้มันไปตามที่คุณหมอรักษาเราไม่ได้บอกว่าวจะต้องไม่ตายนะอะไรอย่างนี้ความคิดตรงนั้นไม่มีมันมันเป็นธรรมชาติหรือว่ายังไงเจ้าวขาว่าจ้าก็มันก็เป็นความรู้สึกของความคิดของเรานาะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่กลัวตายอันนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการล ะ, ะใช่ไหมจ้าวขาก็มันไม่ก็ตอนนั้นมันกลัวตายหรือเปล่า ไม่ไม่ได้กลัวตายเหรอคะไม่กลัวแล้วต้องไม่ไม่กลัวแล้วใช่ไหมต้องมาตั้งใจไม่กลัวตายแล้วมล่ะต้องมาไม่กลัวตายแล้วอ๋ออันนั้นถือว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนกันกับตอนที่เรากําลังเรียนนี้ใช่ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้กลัวตายเลยมันก็มีตอนนั้นไม่กลัวตายแต่ตอนนี้กลับกลัวมากลัวตายตอนเจ็บก็ไม่กลัวตายตอนไม่เจ็บก็มากลัวตายเพราะตอนนี้อยากจะอยู่ใช่ไ้มมันก็เลยกลัวตาย อ๋อเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนั้นมันรู้ว่าตอนนั้นมันรู้ว่ากูอาจจะไม่ได้อยู่แล้วก็ได้ก็ยอมตายเจ้าค่ะแต่มันยอมเฉพาะกิจไม่ยอมตลอดเวลาเจ้าค่ะมันต้องยอมตลอดเวลาเรายอมตายมันยอมตายมันจะมาได้ทุกเวลาเราไม่รู้มันจะมาวะนะมันจะมาแบบตอนที่เราไม่เจ็บก็ได้เจ้าค่ะตอนนี้ก็พยายามพยายามคือปล่อย ป่อยพยายามปล่อยให้ได้มากที่สุดเจ้าค่อาจารย์กําลังกําลังฝึกตัวเองอยู่เจอาค่ะเข้าใจยังเข้าใจแล้วเจ้าค่ะก็คือให้ให้ให้ให้ปล่อยได้ตลอดเวลาเจ้าค่ะอย่างตอนนี้ก็ต้องไม่กลัวตายก่อนใครมาเข้าประตู ก, ก็ไม่ต้องตกใจอใครจะมาเข้ามาพยายามมันจะล่าจะมาเอาเราไปก็เอาไปในขณะที่เราไม่เจ็บเรายัางไม่เป็นอะไร ก็ต้องความตายต้องพร้อมตายอยู่ทุกเวลาแต่เรียกว่าไม่กลัวตายเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนั้นอันอาจจะถูกไฟบังคับว่าอาจจะต้องตายก็ได้ก็เลยต้องยอมตายไปอ๋อแต่เพราะพ่าปล่อยปล่อยจากเราแล้วก็อยากจะอยู่ต่อไม่อยากจะตายอะไรนี้ก็เกิดความกลัวตายขึ้นมาอยนี้อ๋อเจ้าค่ะก็คือไม่ต้องให้กลัวแล้วตอนนี้ตอนนี้กําลังสืกอีกนิดนึงก็คือ ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอย่างที่ว่าอาจารย์สอนว่าให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ไ้า่ก็ต้องมีโอเบก ค, ค่ะต้องเข้าสมาธิให้ได้ก่อนถึงจะได้ตัวจริงค่ไหมคะแต่มันช่นนั้นก็ยังเป็นตัวตัวตัวปลอมตัวคิดอ๋อตัวปลอมใช่ไหมะจิตได้แต่เวลาเจอของจริงเนี่ยจะไม่จะไม่รักชังกลัวหลงง่าหรือเปล่าอให้ให้เป็นโดยอัตโนมัตินะเจ้าค่ะอ่ามันเป็นโดยธรรมชาติก็ต้องเข้าสมาธิไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะยามฝึกสมาธิให้เยอะๆสลับของการฟังธรรมกับสลับของการคิดทรรปัญญาเจ้าค่ะตอนนี้ก็พยายามเพิ่เพมเวลาในการนั่งสมาธิให้มากขึ้นเจ้าค่ะอห้มันเข้าถึงจุดนั้นแน่ๆจุดนิ่งเฉยสงบเจ้าค่ะอาธรรมเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะพระาอาจารย์อ่าคุณหน่อยชัยานิษ กลาวนวัตกา ร, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มาร่มวมรับฟังทำไม่มีคําถามเจ้าค่ะเอี่ย อ, อยากปล่อยวางได้หมดไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเจ้าค่ะว้าวุสุดๆเจ้าค่ะแต่ก็พยายามเจ้าค่ะโอเคจึงจึงไม่มีคําถามไม่มีเจ้าค่ะฟังพี่ๆแล้วอา่ายติธรรมแล้ว ไ, ได้คําตอบเยอะเลยเจ้าค่ะโอเคทาไปทําต่อนะราคาจอดใน โ okay. อเคงั้นไปได้คุณยินดีแคนเซอสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีคําถามค่ะเดวิดก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์กับฝ <Okay. S 2> ากบอลสองเตศให้ท่านอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วเหรอที่ทํางานที่ที่บ้านแล้วทุกอย่างลงตัวหมดแล้วสาหรับหนูใช่ไหมคะเร<อ>ืของที่ถ้าเกิดในวิธีกบรขนงคน ก็ของหนูก็คือว่าก็ได้แต่คําพูดท่านอาจารย์นะคะก็คือทําใจทำใจก็คือทุกอย่างก็คือทําใจทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับใจจริงๆนะคะท่านอาจารย์เกิดที่อยู่อาศัยก็มีอยู่แล้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปย้ายที่ใหม่เลยไม่ค่ะก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเเอตอนนี้ก็นัดเอเรื่องขอวีซ่าที่ประเทศฝรั่งเศสได้แล้วค่ะท่านย้ำแล้วก็เขาแจ้งมาค่ะก็คืออยู่ต่อ ก็เดือนธันวาเนียค่ะก็จะกลับไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปทําเรื่องของวีซ่าค่ะท่านอาจารย์ขอวีซ่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เดมเนี่ยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่ามัน ต, ต, ต้องกลับไปต่อวีซ่าค่ะต้องกลับไปต่อวีซ่าค่ะมันมันคั่บอะค่ะท่านอาจารย์เพราะไม่งั้นดเดี๋ยวเวลาเราออกไปเมืองไทยถ้าเกิดออกไปเมืองไทยปุ๊บเราจะเข้ามาอีกเข้าไม่อื้เพราะว่ามันใช่ก็เลยอาทิตย์เดือนเดือนเดือนธันวาค่ะก็ กลับไปต่อวีซ่า ต, ต่อเพราะว่าเวลาต่อวีซ่าอยู่ต่อที่นี่ที่นี่ขอไมได้ค่ะต้องกลับไปที่ ท, ที่เดิมอืมว่าที่เร า, าจะอยู่อยู่ทำงานที่นั่นต่ออเกเปีหรือยังมยไม่ ก, ก, ก, กม็ก็ไม่ทราบค่ะก็ือพรก็ก็แล้วแต่เขาว่ า, ยย า, า, าค่ะก็อืมก็ไม่ทราบไม่ทราบอะไรย่วงยากแต่ยัก็เวลาเขาแจ้งมานี่และสารนี้ก็หมายถึงว่าเราอยู่ต่อก็คือเราขอวีซ่าค่ะแล้วจากนั้นก็ ค่อยว่ากันเหมือนกันจะก็แล้วแต่ปีต่อปีแล้วปีละสองปีเลยก็ปีต่อปีค่ะท่านอาจปีละปีไร่ใชอะไรั้งแค่ปีเดียวละแค่ปีเดียวเดียวประมาณปีเดียวก็ถ้าเกิดนั่นอย่างมากก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเอ่อหยู่ได้อยู่ต่อถ้าเกิดสมมติว่าอย่างมากก็คือปีครึ่งแต่ปีครึ่งนี่หมายถึงว่าเวลานั่นปุ๊บแบบ มันจะมีช่วงประมาณหกเดือนหลังนะคะที่เราไม่สามารถที่จะออกนอกประเทศได้คือออกไปแล้วแล้วถ้าเกิดออกไป ไ, ได้แล้วคือจะต้องอยู่ค้า ง, งใหม่ถ้า อ, อไปแล้วเราขอใหม่กับ ข, ขอใหม่ก็คือก็ถ้าเกิดอยู่ต่ออีกก็ในนษณะที่ว่าถ้าอยู่อีกสองปีเนี่ยค่ะก็จะต้องกลับไปขอวีซ่าเดือนธันวาเหมือนเดิมอของปีหน้าค่ะก็ก็จะเป็นเช่นนี้โอเคเข้าใจแนละ้วเข้าใจ และเดวิตก็ก็วันสองเทอานะจารย์ <Okay. S 2> ขอบพระคุณมากค่ะท่านอ า, าจารย์ <Okay. S 2> ขอบพระคุณ <I do. S 2> ท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงท่านอาจารย์แล้วก็เรียนรู้จักท่านกระยั น, นี้ทุกท่านค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็คําถามก็เราก็จะคล้ายๆกันเนี่ยท่าอาจารย์โอเคไม่ถ <Okay. S 2> ึงความใจก็<อ>ลูกก็กลัวทุกท่าคนค่ะเพราะว่าอออขทางบ้านเขาพ่อเขาว่าค่ะเขาอธิบายเหมือนกันว่า พ่อเขาแบบพุกมากพ่อปวดปวดแล้วก็ร้องร้อห mm hmm. นูมีความรู้สึกเลยว่าเออกลัวกลัวอะไรในลักษณะนั้นก็เลยมนุษย์ได้ค่ะมนุษย์ถึงท่านอาจารย์ที่ทนอาจารย์บอกว่าให้ให้ให้นั่งสมาธิแล้วก็มนุษย์ถึงเห่งตามมหาบัวค่ะที่ท่านบอกว่าจะเจอช้างตัวที่หนึ่งแล้วก็ช้างตัวที่สองแล้วก็ช้างตัวที่สามค่ะ mm hmm. แต่ไอช้างตัวที่สามเนี่ยหนูยังยังงไม่อาจารย์แต่ก็จะพยายามค่ะที่อาจารย์ก็ ัวันนี้ก็คงจะภาพเดิมปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่กล้าทิ้งนะคะเพราะกลัวกลัวเรื่องเวนาในขอบด่านจางเออนี่โอเคเตียมตัวตายไหมเด็มตัวเจ็บอ้านจาทุกวันนี้ก็ท่องอยู่ค่ะว่าเราไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่เราอะไรงนี้เออสาธุกคุณมากค่ะ้านจางขอบคุณท่านด้าคุณเน่งคุณเน่งก็ม กราวนมรดการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็ปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตามเป้าหมายเจ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นคงตัวแล้วเจ้าค่ะก็คือวันหนึ่งประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ฟังธรรมก็หนึ่งชั่วโมงได้แต่ว่าเดินจงกรมตอนเย็นยังไม่ได้ดีนักเพราะว่าบางทีก็ติดภารกิจเจ้าค่ะมันก็เลยว่าไม่ได้เต็มที่อย่างที่ตั้งใจแต่ว่าส่วนรวมก็ดีขึ้นเจ้าค่ะ เราพยายามปรับเพิ่มขึ้นไปให้ให้มากเท่าที่เราจะทําได้เจ้าค่ะถ้าที่มีโอกาสถ้าไม่มีโอกาสก็ต้องยอมรับกับสภาพไปไปก่อนทำได้ทำเท่าที่เราทําได้แล้วพยายามพยายามจัดสรรหาเวลาให้มีมีเวลาเพิ่มตัดภา ร, ร ก, กิจอย่างอื่นให้น้อยลงไปเจ้าค่ะจะพยายามให้ต่อเนื่องเจ้าค่ะกบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะ อ่สารดอ่าไปได้รักสเสมอคุณปุย้ยปุย้ยทํางานนะ ก, การนมรสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ออกมาแล้วค่ะพระอาจารย์ออกมาเดินทงางทำค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วเออโย ม, มาไม่มีคําถามอะไรหรอกพระอาจารย์จะมาะรายงานตัวแล้วก็ มาส่งกันบ้านอ่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยมก็เข่งหน่อยคือตั้งจิตตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีไม่เปิด t i k t ตอไม่อะไรเลยเออสวดมนต์อย่างเดียวเออ<ม>สวดมนต์สามเวลาเลยนั่งสมาธิด้วยแล้วก็นั่งรอพระอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์ก็เข้าไปฟังพระอาจารย์ฟังไปได้ครึ่งหนึ่งก็หลับเลย<ม> <laughs> นอนฟังเลยนอนฟังใช่ไหม ยังไม่ยังไม่นอนฟังเลยนั่งฟังเลยเรายังนั่งพูดเลยเ ร, เรามานั่งเรามานั่งฟังปล่อยเรานั่งพูดเลยคุณไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยไม่นอนฟังทำไมเดี๋ยวเรานอนคุยไดย <c oughs> เดี๋ยวเราขอนอนคุยเลยโ <c oughs> ยมโยมก็นะเอฟังทุกเช้าเวลาพระอาจารย์เอมาเปิดเทปแล้วก็วันพระพอพอระอ า, าจารย์มา ประเทศนาคุติโยมก็ไปฟังนั่งสมาธิไปด้วยค่ะวดนตี้องกบเวลาเช้าที่นั่นวันนี้กี่โมงเออก็ประมาณมันไม่เช้านะฮะก็ประมาณ8ปดโมงรู้สึกแปดโมงใชไมไค่ฮาผาสิบสีนาิกาสองค่ะรู้สึกจะบ่ายสองนะคะบ่ายสองที่เมืองไทยไม่ไม่ใช่สิบโมงสิบโมงขอเข้ามาบอเข้ามาตอนสิบโมง ต wow mm hmm. ี่งของที่น so ี่เก้าโมงค่ะเก้าโมงของที่นี่ใช่ค่ะพร่อจันเทศหนึ่งชั่วโมงเทศตอนบ่ายใช่ค่ะตอนบ่ายก็ของเราก็เช้าเลาเร็วกเราเร็วกว่าของกูห้าชั่วโมงชห้าชั่วโมงค่ะห้าชั่วโมงใช่แล้วโยมก็ไม่มีอะไรใจใจก็ดีสบายดีแล้วก็นั่งสมาธิก็ไม่ได้เห็นอะไรแล้วก็อืคืนนั่นมันนิ่งมันสบายมันสงบแล้วก็มัน คือมันอยากจะได้แต่อยากจะอยู่อ ย, อยู่อยู่มีโลกส่วนตัวอยากจะแบบไม่อยากขนาดว่าก <N> ็มีงานอะไรเราไม่อยากจะไปอะไรกับเขาอนข น, นอาดนี้คุใช่ค่ะแล้วอยังยังบอกว่าจะไปเที่ยวตั้งจิดตั้งใจไว้แล้วโอ้เดี๋ยวจะไปเจอมันหน้าวางผงวางแผ่นน้อมันนั่งฟังพระจานทร์เมื่อวันอาทิตย์บอกเออมันมันรู้สึกมันมีความสุขอ่ะอยู่ตรงนี้เราก็มีความสุขแล้วเราก็คือนั่งสวดมนต์ไหว้พระ เดี๋ยวก็ไปสวดตัววัดพระธรรมกายมั่งพ่อโยมก็มาสายวัดพระธรรมกายนะคะเขามีส่วนเดทั้งวัน่ะเราก็ไปสวดกับเขาแล้วเอเราก็รู้สึกว่านั่งแล้วมันรู้สึกมันสงบมันมันมันเหมือนเราติดอ่ะเหมือนเราติดอยู่กับการปฏิบัตินะคะแต่ว่ามันมันก็รู้สึกดีมันแต่ว่ามันไม่เห็นอะไรหรอกค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้ว่าเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรอย่างนี้นะคะไม่ไม่ต้เห็นเห็นความสงบอย่างเดียวก็พอใช่ เพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันจิตใจมันโล่งแล้วเรารู้สึกว่าปรงได้แล้วว่าเออถ้าวันพรุ่งนี้มาเลยนี้เราจะตายเราก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วค่ะเ อ, อโอเ ค, คขอให้ศขให้เจริญให้ร่าให้่วยสวยไม่สามบานไม่รวยนะสาธุเจ้าค่ะอขอให โยมถวายบุญทุกอย่างกับพระอาจารย์เจ้าค่ะขอขบพระคุณพระอาจารย์ที่ <Yeah. S 2> เป็นกำลังใจให้กับโยมในเสินทางธรรมนะคะ <Yeah. S 2> ขอ <Yeah. S 2> ให้ <That S 2> พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะสาทุสาธุนะไปที่คุณปางวะลัยศิรช้าปามัาสักการเจ้าค่ะวันนี้หนูทำงานเจ้าค่ะแล้วก็เจอพนักงาน เข้ามาเหมือนเขาว่ามีปัญหาเรื่องการทํางานเจ้าค่ะนักศึกษาฝึกงานหนึ่งคนแล้วพนัก ง, งานอีกประมาณสองคนเข้ามาร้องไห้หมดทุกคนเลยแล้วก็<ง>แต่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหนูหนูเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเข้ามาคือเขาเข้ามาระบายหนูก็เลยให้เขาพูดพูดออกมาแล้วก็เรา ก, ราก็รับฟังถ้าเป็นเมื่อก่อนมันคงจะเครียดตามะคะเ<ม>พราะว่าต้องไปนั่งฟังแต่คราวนี้ฟังแบบสบายๆแล้วก็เพอเอิญช่วงที่เราฟังสบายๆอะะ่ะ มันปัญญามันก็เกิดเกิดขึ้นมาว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์ไปแบบเอาไว้ครับอยากให้เป็นส้มแต่ว่าเป็นกล้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็ก็มาสรุปได้ทุกเคสว่าทุกเคสก็ไ ป, ไปไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสติมันก็เลยกลายเป็นประโยชน์ของอยู่ไปเลยค่ะก็ใช้ตรงนี้ในการทำงานด้วยได้ใช่ไหมค่ะได้เห็นอะไรเห็นทุกคนวนเด่น หรือว่าทุกของเขาเกิดจากความอยากของเขาส่วนส่วนเรื่องของตัวหนูเองเนหนูหนูว่ามันมันก็ลดลงเรื่องที่ที่ที่หนูลาออกจากงานอะค่ะทําเรื่องเหล่าออจากงานจริงๆก็คิดค่อนข้างเยอะว่ามันเป็นกิเลสหรือมันเป็นความอยากหรือความไม่อยากอนะไรเงี้ยสุดท้ายคือที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าเพราะว่ามีอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไม่อยากให้เราทํางานหนูก็เลย ก็เอินว่ามีคนมาเอฟเฟอร์หนูหนูก็เลยได้ไปหนูก็เลยมารู้ว่าอ๋อถ้าเขาไม่อยากให้เราอยู่เราก็ไม่อยู่ก็ได้แต่แต่หนูจะกังวลหน่อยเดียวว่าหนูจะไม่ได้ไปวัดหนูก็เลยค่อนข้างตรงนั้นสับสนแต่ว่ามาคิดได้ว่ามันเป็นอั น, นิจอั น, นจงเหมือนกันถ้าเราอยากทำบุญเราก็ต้องหาวิธีที่ต้องต้องต้องทำบุญให้ได้เงค่ะก็คิดว่ามันมันก็มีมีสติในการคิดแล้วก็มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะเห็นประโยชน์ จากการเข้าสมาธิเจค่ะโ okay. อเคค่บพระคุณเจ้าค่ะอืมไอ้ที่คุณอูดคุณอูดอยู่ี่ไหนไม่ได้ยินเสียงบวบไปก่อนจ้ะอ่าพูดได้นะอาจารย์ครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยเสียงเบาเสียงค่อยมากอาจารย์พระอาจ า, ารย์ครับอาจารย์ค ร, รับผม ที่เคยเข้ามาเรียนถามผู้อาารย์จะมีอยู่หนึ่งคำถามนะครับผมเนื่องจากการที่ว่าผมปฏิบททัติทุกวันทุกวันตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่หลายๆช่วงที่ว่ากิเลสเนี่ยมันเข้ามาครอบงาจิตจนทำให้จิตเนี่ยทุดลงหรือดิ่งลงนะครับผมเมื่อดิงด่งลงแล้วเนี่ยก็คือมันก็ยังเหมือนกับดึงไม่ขึ้นนะครับเมื่อดึงไม่ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ย นะครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับอ่ามันมีเหมือนไฟที่มันเผาอยู่ในจิตมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยร้อนเป็นไฟเลยครับผมแล้วก็ผมเลยจะต้องอ่าไปหาหมอเพื่อให้หมอเขาทางยาในกรณีมากิงช่วยเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยร่างกายมันก็จะอ่าปฏิบัติไม่ไหวนะครับอ่าฟ้ากับแม่ผมก็เลยแนะนําให้ผมเนี่ยปฏิบัติเนี่ยคือให้ลดน้อยลงอันเนี้ย ผมขอสอบถามพระอาจารย์ครับควรที่จะทำยังไงดีครับผมมันก็อยู่ที่อาการป่วยของเรามันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะคนอื่นเขาปฏิบัติเขาก็ไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได่ป่วยใช่ไหมอ่าแล้วก็หมอเขาก็เออหมอพ่อไงก็คุณเนียครับผมคุณดังๆหน่อยนะไม่ได้เยอก็คือเหมือนกับการที่ว่าหมอเขาวินิจฉัยออกมาในทาง ไปหามาเขาจะบอกเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะครับผมอืมโรคซึมเศร้ามันเกิดจากความอยากของเราครับผมอยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากมันก็เลยเศร้าเราก็ต้องลดละลดละความอยากให้น้อยลงยินดีตามมีตามเกิ ด, ดครับผมแล้วก็เหมือนจะต้องฝึกสติให้มันมากยิ่งขึ้นเออฝึกสติไปให้เท่าที่เราจะทําได้ทําให้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดี นแม้มถ้าทำสมาธิมันก็จะสงบได้แต่อย่าปไปายากให้มันสงบโดยที่ไม่มีสติมันไม่เกิดแล้วมันจะทําให้เราเศร้าซึมเศร้าได้ครับผมอย่พยายามมาสร้างสติไว้แล้วนั่งสมาธิได้เท่าไหร่ก็ก็พอใจกับเท่าที่เราได้ไปก่อนครับผมออย่าไปว่าถ้ามันต้องสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้แล้วพอมไม่ได้มันก็จะทาให้เราผิดหวังครับผม ให้สติเป็นผู้ให้สติเป็นผู้ให้ผลนี่กบเราถ้าสติดีมันก็สงบมันก็จะ ส, สบบงบมากถ้าสติไม่ดีมันก็จะสงบน้อยหรือไม่สงบเลยก็ได้ยังต้องไปดูที่สติของเราเป็นหลักอย่านี้นะแต่อย่าปล่อยให้ความอยากเรามันมาชุดลากเราไปอย่าไปอยากผมจะสื่งที่มันเผาอยู่ในจิตเลยครับ เหมือนไฟมันเผาอยู่ในจิตร้อนความอยากนี่หละที่มันทำให้ใจร้อนขึ้นมาจะเหมือนกับการที่กิเลสเปนครอบงำเราไปแล้วใช่ไหมครับใช่ก็ความอยากนี่แหละก็กิเลสครับผมนี่นก็ต้องต้องลดละความอยากมาอย่าไปอยากได้ผลเลยขอให้อยากขอให้เรามาเจริญสติไปเรื่อยๆก่อนครับส่วนผลส่วนผลทางสมาธิจะได้มากได้น้อยหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไร นั่นไม่ได้แสดงว่าสติเรายังกำลังไม่พอ<า>ก็พยายามทยายามเพิสติให้มากขึ้นครับผมมันก็จะเหมือนกับการที่เหมือนกับอ่าเมื่อปฏิบัติเนี่ยอ่ากิเลสการทำเนี่ยมันเหมือนกับดันกันเหมือนที่หลวงตา ม, มหาบวัวท่านบอกก็คกิเลสก็คือความอยากอยากต่างๆแล้วนาเมื่อถ้าสมมุติในกรณีมันดันไปทางกิเลสชนะทำก็แพ้ใช่ไหมครับเมื่อเรามีธรรมะเยอะมากกว่ากิเลสกิเลสก็ รถถอยลงใช่ไหมครับผมใช้ใช่ ม, มันชักก็เยอะกันไงถ้าใครมีกําลังมากกวา่าก็จะดึงไปทางนั้นถ้าถ้าทำมีกําลังมากกวา่าก็จะดึงไปทางธารมยึดใจไปทางธรรมครับผม<ๆ>แต่ที่มันดึงมันดึงลงไปในจิตเลยครับรัแสดงว่ากิเลสมันมีกําลังมากกวา่าธรรมนะครับผมเข้าใจนะเข้าใจครับฝึกสติบ<พ>่อยไหมละวันวันหนึ่งฝึกสติอ่าครับรถไปหรือในกรณีเดิน หรือเวลาที่ไม่ได้เป็นช่วงทำงานผมก็จะพูดโทรพูดโทรแล้วก็เปิดธรรมะของผ้ า, าอาจารย์ฟังด้วยนะครับทั้งวันก็ยพยายามฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็พูดโทรไปเวลาไปเตรียมตัวอาบน้ำล้างหน้าแปลงฝันแต่งหน้าแต่งตัวกินข้าวนี่ก็พูดโทรไปอย่างปล่อยให้มันคิดอะไรครับผมนะครับเราก็พยายามฝึกเส็เยอะๆแล้วแล้ว เวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายนันจะสงบได้มากแต่อย่าไปหวังอย่าไปหวังผลให้เราสร้างเหตุไว้ให้ดีก็แล้วแต่แ้ผลมันจะตามมาเองถ้าเราไปหวังผลแล้วมันมันไม่ได้ทังที่เราหวังวมันอาจจะทำให้เราเสียใจทำให้เราเศร้าผิดหวังได้ยินต้องยินดีตามมีตามเกิดเรื่องผลนะแต่เรื่องเหตุที่ต้องทาให้มาก สติต้องทำให้มากครับผมตอนนี้อาการยิขึ้นไหมตอนนี้อาการยีขึ้นไหมตอนนี้เป็นปกติครับพระอาจารย์เพราะว่าตอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนช่วงเช้าหรือบางทีก็จะเป็นเกือบทั้งวันหรือบางทีก็จะเป็นครึ่งวันที่ว่าอ่ากิเลสเนีย่ยมันครอบจิตจนดึงไม่ขึ้นเลยครับผมแต่บางครังก็คือในกรณีอย่างที่ผมเคยเรียนพระอาจารย์ก็คือมันจะอยู่แบบ่าไม่ทุกข์ อยู่ไม่สุกแต่มันก็จะเป็นกลางกลางแต่ณนะตอนเนี้ยวันเนี้ยนะครับอ่าครึ่งวันหลังเนี่ยก็คือว่าจิตเนี่ยมันจะโล่งไปเลยนะครับรแต่มันก็จะ ม, มันไม่เที่ยง<ำ>แน่นอนมั น, นไม่เที่ยงครับผมดังนั้นก็อย่าประมาทพยายามฝึกสติไปทั้งๆถึงแม้ว่าจะไม่มีกิเลสปรากฏก็พยายามอย่าประมาทมีอยามซ้อมฝึกสติไปเรื่อยๆครับผมให้มีพุทโธพุทโธพุทโธกล่อมใจไปเรื่อยๆ บางช่วงถ้าสมมุติในกรณีกิเลสมันเข้ามาเยอะนะครับสามารถที่จะทําพุโทโธให้ถี่ยิบเลยได้ใ ช, ไดใช่ไหมครับได้จะถีจะช้าจะเร็วก็ได้น้าแต่เราเ อ, อ๋อครับผมครับแต่อย่าไม่ยากให้กิเลสมันหายมันไม่หายด้วยความอยากของเรามันหายด้วยกับด้วยสติของเราให้เราพยายามให้มีสติช้าหรือเร็วก็ได้ถีถีนั่นไม่ถี่ก็ได้แต่อย่ า, อ ย, าอย่าทิ้งพุโทโธไปครับผม ต้องใจเย็ยนๆก็จะไม่แช่พูดโทรสองสามสองสามวินาทีแล้วมันจะหายไม่หายครับผมลองพูดโธรบบแบบไม่รู้ไม่ชี้มันยังไม่หายกูพูดโทรกูไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องไม่สนใจมันใช่ใช่ไ ม, ชม่ต้องไปสนใจมันยิ่งสนใจแล้วมันไปใยญ่ให้มันหายมันก็ยิ่งยิ่งยิ่งทุกข์ใหนใหญ่ใช่ครับผมใช่ค ร, ครับผม อย่าไปสนใจมันมันจะมาก็ปล่อยมันมาแต่เรามีหน้าที่สร้างพุทโธแล้วพุทโธของเราไปครับผมน้อมไปปฏิบัติครับโอเคจ้าที่อยู่ที่ไหนนะว่าอยู่อาชนบุรีครับผมแยกอันศิลาครับผมแยกศิลาโอเคครับโอเคนะหวังว่าคงยังดีขึ้นนะถ้าฝึกสติไปนะครับผมครับผม อกายตาอกุละพิเศษธไม่ชาทิ ว, วาบ่าเนี่ยตานวัตการครับอาจารย์อเอ่อฟังจากพ่ออาจารย์ฟังจากพระอาจารย์พูดแล้วนี่แสดงว่าการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยมันเป็นการตัดอารมณ์ที่เข้ามารบกวนจิตถูกไหมครับอาจารย์ตัดความคิดอยู่าว่าเราพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ความคิดเราไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาอีกทีหนึ่นงคระอาจารย์ ไอ้พวกที่เขาใจตั้งมั่นแล้วนี่เขาแค่กําหนดรู้ไอ้ความคิดนั่นก็สลายหายไปเลยไม่ใช่เหรอครับอาจารย์นั้นคือจิตเขามีกําลังนี่นะจิตเขาคุมคุมมันขึ้นไม่ได้เกือบตลอดเวลาพอมันโผลขึ้นมาเม<บ>ื่อไหร่เขาก็หยุดมัน ไ, ได้ทันทีครับเขาใช้สติกําหนดรู้ลงไปมันความคิด<อ>นั้นหายไปยไม่ต้องใจพุทโธก็ได้นะได้แล้วเขาเป็นสติแล้วพวกนี้เขาเเรียกว่าสติเท่าทําความคิดตรงนี้ถูกไหมครับอาจารย์นั่นแหละสติอยู่ความคิดได้อืม ครับวันนี้ก็เอาเอาแค่นี้ครับอาจารย์กลับขอบคุณอาจารย์เอาสติให้ได้นะเอาสติแบบนี้ให้ได้ครับอาจารย์ครับพอคลิปปุบก็อยู่เป็นปั๊บเลยนะับโอเคคุณยศสวัสดีอาจรย์คุณยศสวัสดีอรรมสถารเจ้าค่ะอาจารย์อ่ยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพค่ะอ่าเพื่อถามอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะก็พยายามฝึก พุดโธไปอยู่ค่ะพาาระเจ้าดีฝึกไปเรื่อยๆอย่าประมาทนะพูดโทนี่สําคัญนะสติมีเวลาฝึกได้เท่าไหร่ฝึกไปเดี๋ยวถึงเวลาจะต้องใช้มันมันจะได้มาง่ายค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์นมัสการไปที่แมร์วแลนด์คุณสเินทอนหน้าแรกที่หนึ่งกลับน้ำมัสการพระอาจารย์เจา้าค่ะ ย, ยงดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาในวันนี้ตัวไม่ได้เข้าค่ะอาจารย์ ก็ช่วงที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ก็มาเยี่ยมยมก็ปฏิบัติหน้าที่พยายามพาเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่จิตมันก็ส่งออกอะคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่ายมก็ปฏิบัติทุกวันไม่ขาดตอนนี้พ อ, อพ่อกับแม่เขากลับไปเมืองไทยปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็กลับมาแล้วคะ่ะพระอาจารย์ยมกลับมาปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า ค่ะพัดซานก็ปฏิบัติตอนเช้าตอนบ่ายตอนกลางคืนแล้วก็คิดว่าไม่ค่อยกังวลกับการปฏิบัติของตัวเองเพราะว่าพอจะรู้แนวทางว่าจะต้องทํำยังไงเพื่อให้เข้าไปในสมาธิให้ได้อืตอนนี้ก็เหมือนกับว่ายมเอดูสถานที่ให้เป็นสปายะดูว่าไม่มีเรื่องที่มากําหนดให้จิตใจมีความทุกข์หรือว่ามีความกังวลแล้วก็ ปฏิบัติสติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็กำหนดความคิดระหว่างวันมันก็ทำให้โยมรู้สึกว่าแม้กระทั่งในช่วงที่พ่อกับแม่มาเยี่ยมโยมสามารถมีสติได้ดีขึ้นนะคะเวลาที่ใช้ความคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆก็สามารถพิจารณาถึงบางทีบางอย่างมันไม่ได้อยากเราไม่ได้อยากให้มีให้เป็นแบบที่เขาต้องการ แต่เราก็ไม่สามารถขัดขวางสิ่งที่พ่อกับแม่หรือว่าหลานต้องการได้เรายอมอะค่ะยอมยอมอย่างเดียวเลยใครอยากทำอะไรทําแล้วก็ไม่ไม่หาเรื่องใครไม่ทะเลาะกับใครแล้วก็ฟังแล้วก็เวลาที่มีความคิดว่าหงุดหงิดมันก็กําหนดแล้วมันก็มันก็ดีขึ้ น, น่ะคะ่ะอาจารย์ก็ดีขึ้นยงก็เข้าใจว่าเออมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยตอนนี้พ่อกับแม่ท่านกลับไปแล้วยงวก็กลับมา เดินจงกลมนั่งสมาธิทําเหตุให้ตรงแล้วเดี๋ยวผลก็ตามมาค่ะอาจารย์ได้ถ้ามีเสด็จมีปัญญาแล้วใจเราก็จะเย็นปล่อยวางค่ะโยมค่ะท่านอ<พ> า, <พ>าจารย์ก็ไปนี่แล้วก็คิดว่าพอจะรู้ทางว่าจะทํำยังไงให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะทา่<พ>านอาจารย์แต่โยมมีคําถามจากเพื่อนฝากถามนะคะเอฝากถามเรื่องในเกี่ยวกับกรรมที่เกิดจากการเป็นพี่น้องกันนะคะ แล้วถ้าสมมุติว่าพี่น้องที่เขาไม่ถูกกันหรือว่าเขาเข้ากันไม่ได้จะมวีวิธีการยังไงเพื่อที่จะให้เราตัดกรรมกันให้ได้มากที่สุดในภพชาติปัจจุบันนะคะก็ เ, ออเฉยๆไ ป, ไปอย่าไปทําอะไรอย่าไปตอบโต้เขาใช้ความเมตตาแทนให้มีความเมตตาเมตตาจะลดละเรื่องเก่าเรื่องอะไรได้เยอะ คือกรรมใหม่จะไม่เกิดกรรมเก่ามันผ่านมาแล้วเราไปลบมันไม่ได้แต่เราจะไม่สร้างกรรมใหม่กันที่ที่มันสร้างกรรมใหม่เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างยาวแพ้ชนะกันแต่ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะยอมเขาเอาเพราะยากอะไรออกไปต้องการอะไรออกไปเอาหุ่นสิไม่ถือโอษก่อยเคลือนถ้ามีความสุขของเขาก็โอเคทาอย่างนี้เขามีความสุ ข, ข, ขก็โอเคอยเรียกว่าเมตตา ถ้าเรามีเมตตาแล้วเราก็จะไม่สร้างกลับใหม่แล้วดีไม่ดีต่อไปเขาก็กลับจะมาชอบเราก็ได้ ค, คนที่มีความเมตตานี่เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจริงค่ะฝึกเมตตาอย่างที่คุณเอาใจพ่อแม่พ่อแม่เขาจะทําอะไรก็ทําเอาไปเขาแฮปปี้เขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้เห็นไ้มเขาก็ไม่ <c oughs> ไม่บน่นไม่เสียใจว่าโอกสานเดินทางมาเยี่ยมโลกคราวนี้ บางทีบางคนบงคนมามามาหาลูกแทบเป็นแทบตายพอมาแล้วก็มามาทะเลาะกันที่ที่เวลาเจอกันไม่อยากจะมาขึ้นมาเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันใช่ไหมเขาก็อยากจะทําตามใจเขาเราก็อยากจะทําตามใจเรามันก็เลยชนกันหนึ่งยังต้องใช้หลยอมหยุดเย็นยอมเขาต้องการทําอะไรทําไปหยุดต่อต้านเขาหยุดต่อสู้เขาแล้วเราก็เย็นเขาก็เย็นเขาแฮปปี้เดี๋ยวเขาก็ชอบเราเอง เขาอยู่กับเราแฮปปี้เขาเขาก็จะรักเราใช่ไหมแต่เขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่แฮปปี้ก็เขาก็ไม่จอยู่กับเราใช่ค่พระอาจารย์แล้วยังในกรณีที่โยมต้องการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่แต่ว่าตัวโยมไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแล้วเขาก็ไม่ได้มีความต้องการก็ไม่เป็นไรก็ส่งเงินไปอยู่เรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าเป็นการใช้ใช้ใช้หนี้ไปไม่ต้องรอให้เขาเดือนละก่อนแล้วถึงส่งไปพระอาจารย์ส่งไปให้สะสมไป มันเป็นการทดแทนบุญคุณไปค่ะถ้าเราถ้าเราสามารถส่งได้ก็ส่งไปค่ะได้ค่ะพระเจ้าเราได้ทําบุญมันก็ทําบุญกับพระเลยพระของพ่อแม่เราก็เป็นพระอรหันา์ของลูกอยู่แล้ว่ีนทํ<ช>าไปเลยถ้าอยากจะทําบุญถ้าอยากทําบุญกับพ่อแม่ก็ทําไปเลยพ่อแม่เขาจะเอาเงินไปใช้นี่มันก็เรื่องของเขาเราอย่าไปสนใจคมันเป็นสิทธิของเขา แต่ถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเขาไปใช้ในทางที่เสียหายแล้วก็อาจารย์อย่าส่งไปก็ได้เก็บไว้เวลาเขาเดือดร้อนแล้วค่อยให้เขาดีกว่าพระอาจารย์เล่นปันทานแค่ยอดทราบหนึ่งสุาราแล้วเอาเงินที่เราส่งไปนี้ไปเล่นการบันดานแล้วก็อย่าส่งไปดีกว่ากลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะได้ความรู้มากๆเลยค่ะวันนี้ขอให้เป <ขอ S 1> ็นการแบนะคะสาธุคนจีบวันนี้ก็เข้ามาแต่คิวยาวเลยคณจีบนอเดียวนะะ สาธุครัพระอาจารย be okay. ์อ่า right be ไปที่ไหนต่อคุณโอคุณธรรมิเศษอ่าที่อาจารย์สายทิพย์อาจารย์สายทิพย์ขอนแก่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปมหาสารคามแล้ไปอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่วันวันพุธส่วนใหญ่จะอยู่ขอนแก่นค่ะอืมกลับไปขับกลับได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ้บาง มันเป็นผมสั้นลงก็ผมยาวขึ้นมันแล้วแต่วันเลยค่ะพระอาจารย์อยากปลูก็ปลูอยากรีบก็รีบมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะพระอาจารย์สั่งมันไม่ได้ค่ะก็เอสินแปดค่ะพระอาจารย์หิวข้าวตัอดเลยสินแปดมาทุกวันเลยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้หิวหิวข้าวค่ะพระอาจารย์กลางคืนก็อไม่ตายหรอกหิวก็ไม่ตาย ให้หิวข้าวแล้วตีเลดตายดีกว่ะร่างกายไม่ตายแล้วถ้าอย่าไปกินหมดค่ะไม่ไม่กินค่ะพระอาจารย์แต่ก็มีวางแผนว่าพรุ่งนี้จะต้องรีบกินอย่างเป็นกิเลสอย่างเป็นกิเลสอยู่ค่ะยังยังหิวอยู่ถ้ามันอยากกินอย่าไปบอกว่าถ้าพรุงนี้อยากกินอยู่ควจะไม่ให้มันกินอ๋อไม่ใช่บางแผนว่าพรุ่งนี้จะจะต้อนันนี้แพ้มันแล้วโดนโดนมันหลอกแล้ว แต่มึงถ้ามึงอยากกินวันไหนกจะไม่ให้มึงกินพรุ่งนี้ปาท่องโกะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่กินแล้วถ้ามึงอยากถช่มึงฝันถึงไม่ให้กินกันแท้งอ่ะนึกว่าแค่ทนให้ผ่านครับอาจารย์ไม่รอกกันไม่ผ่านค่ะเอาใหม่าก็ตอนเท่นี้ก็ก็ต้องงานเยอะหน่อยค่ะพอาจารย์ก็อยากจะพยายามฝึกสติอะค่ะสติไม่ค่อย ไม่ค่อยต่อเนื่องค่ ะ, ะอาจารย์รู้สึกว่ามันมันมันเหมือนหายหายไปค่ ะ, ะอาจารย์เด้นใจพุโทโธดึงกลับมาเนี่ยทำพุโทโธพุโทโธค่ะรู้ส่วนมนก็ได้อีติปิโสไปอืมค่ะจะจ ะ, จะมีอาจจะมีมีช่วงช่วงหายไปแล้วพอคิดได้ก็อิติปิโสหรือพุโทโธค่ะพะอาจารย์แต่ก็ได้ค่ะ มเหมือน้เหมือนเหมือนเติมน้ํำมันพอน้ำมันมันจะหมดเ้าก็ต้องเรีบเติมนม้ำมันการทำพุโทโธการสวดมนต์ก็เป็นการเติมสติค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะมีมีคำถามนิดนึงค่ะเวลาที่เราทําสมาธิค่ะพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าแบบเราจําเป็นต้องทําให้มันเหมือนแบบ ดึงอารมณ์ให้มันเป็นดูเหมือนเคลิ้มเคลิ้มแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ง่วงหรือหลับไหมคะพระอาจารย์อ๋อไม่ไม่ไม่ต้องไปสนใจอารมณ์อะไรให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวให้มีสติให้ตื่นอย่าเคริมเคลิ้มนี่แสดงว่ามันสติมันไม่ค่อยมีแล้วไม่ไม่ต้องพยายามทําให้มันเหมือนเดมไม่ต้อม่ต้อเป็นไปเองใช่ไหมคะเดีมันไม่เคริ้มหรอกถ้ามันเคลิ้มแสดงว่ามันแสดงว่าสติมันใกล้มีแล้ว อ่มันต้องตื่นเดีวที่เราคุยกันอย่างนี้ตลอดตลอดเวลาต้องตื่นตัวสติคือการตื่นตัวไม่ใช่การเคลื่มการเคลื่อนก็คือการขาดสติอมนอนจังนะพอเริ่มเคลื่อนก็บอก ว, ว่าสติปูจะหมดแล้วเตรียมจะหลับแล้วตเตรียมจะเข้านอนแล้วอ๋อค่ะก็คือเป็นสติเหมือนปัจจุบันนี้เลยอ่าต้องแต่เนี่ยตั้แบบที่เราคุยกันอย่างนี้เรู้สึกตัวตลอดเวลาค่ะ แล้วมันก็จะเข้าไปของมันเองใช่ไหมคะสติใช่ใช่มันไม่ได้เข้าเพราะความเคร่งหรอกมันเข้าเพราะใจเรามีสติไม่ไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องนั้นอย่างนี้ค่ะอืมค่ะแอะไรเข้าใจผิดว่าเอ๊ะต้องพยายามทาให้มันแบบเบาๆลงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่หรอกแต่มันถึงจะเข้าไปไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันไม่เข้าหรอกมันต้องเข้าแบบตอนที่เรารู้สึกตัวอย่างเงี้ยแต่เราไม่คิดอะไรอืม เราอยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปได้อือค่ะมีมีวันหนึ่งหนูไปช่วยคุณหมอเขาจะถ่ายถ่ายวีดีโอจากจากในคอมค่ะพระอาจารย์แล้วคุณหมอขอให้ช่วยถือกล้องให้หน่อยเขาจะให้อัดวีดีโอเพราะว่ามือเรานิ่งแล้วมันเหมือนมันมันเหมือนมันจะมันจะเหมือนแบบมันจะเข้าสมาธิค่ะพระอาจารย์เหมือนเราต้องเพ่งไว้ไม่ให้ไม่ให้มือเราขยับอะไรเงี้ยค่ะอ เป็นได้แต่อย่าเพิงเมื่อไหร่ถ้าเริ่มันไม่ใช่สมาธินะแสดงมันจะมันเหมือนมันเหมือนจะวืดขึ้นไปนี้ก็คือไม่แล้วเวลามันจะเข้าเนี่ยมันไม่มันไม่มันจะไม่บอกเราลวงหน้าอะไรก็จะเข้าไปเลยแบบรุบเข้าไปเหมือนตกลุมตกบ่ออะไรอย่างนเป็นเพิ่งนี่แสดงว่ามันเริ่มจะหลับนะมันลักษณะเหมือนคล้ายๆกันถ้าเราเหมือนแบบตั้งใจอยู่จุดใดจุดหนึ่งมันก็เป็นเหมือนสมาธิใช่ไหมคะพระค่ะ ให้ร okay. okay. okay. well, ู้ล้วแล้วก็กลอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เผิอไม่ให้หลับค่ะถามเพียงเท่านี้ค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุสาธุค่ะไปที่กุณชนะชนะภายชนนชนดาเจนนันถามลัวได้คาจากข้าพเจ้าอ่ารอบนี้รอบนี้เดี๋ยวจะไป ขอเขาเพิ่มวันนะคะก็จะเป็นสองถึงเก้าอะค่ะเจ็ดคืนเดือนเดือนหน้าใช่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่มีไม่ไม่ได้มีรถไปด้วยรอบนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องออกไปซื้ออะไรน่าจะโดนดัดนิสัยว่าช่วงหลังมีแว๊บออกไปซื้อของนี้หน่อยค่ะพระอาจาร์รอบนี้ก็เลยต้องเอารถไปเค่ว่าโดนชนท้ายก็จะพอดีวันกันพอดีเลยค่ะพระอาจาร ก็ดีแล้วก็แล้วก็ตั้งใจว่าจะปิดมือถือจะว่าจะไม่ไม่เลยอก็จะลองจะลองดูไม่ตนะ<อ>ายครับเมื่อก่อนทำไมก่อนไม่มีมือถือ <c oughs> ก็อยู่กันมาได้ <c oughs> เออค่ะคพระอาจารย์แล้วก็เออใจใ จ, จก็ลึกอยู่เหมือนกันว่าเอเอาชีวิตเท่าแรกมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แอบคิดนิดนึงนะคะพระอาจารย์อ่าก็เนี่ยเราก็ลึกอยู่ว่าจะขั้นนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็ S 1> <S 1> <S <S เราเอาไปเดินยามค่ำคืนดูมเมื่อเนดค่ะค่ะแล้วเมื่อคืนนอนนอนหลับอยู่แล้วก็รู้สึกตัวตอนตอนดึกก็กก็็ดูเห็นลมหายใจเลยพอรู้สึกตัวปุ๊บก็เห็นลมหายใจเล ย, อกก เ, ล ย, เ, ลยเออ่รู้สึกละเอียดแล้วกํลาลังรู้สึกดีเลยค่ะพระอาจารย์ ฟ้าก็ขาดังเปี้ยงเหมือนแบบขาอยู่ใกล้บ้านมากเลยค่ะบ้านสะเทือนเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วฝนก็ตกคลุมทลายน่าดูเลยค่ะพระอาจารย์ลูกก็แบบก็แบบก็เอ๊ะคือปกติถ้ามีถ้ามีลักษณะอย่างนี้ยเกิดขึ้นมันจะมีความเคว้งคว้างค่ะพระอาจารย์ลูกก็เลยเดินไปเปิดห้องไปเปิดห้องเอ่อลูกกับพ่อของเขาที่เขานอนด้วยกันนะคะไปเปิดห้องเขา ปกติก็จะต้องเข้าไปมุดแล้วทีนี้พอเปิดเข้าไปเอ่อเขาก็หลับกันอยู่แล้วลูกก็เดินออกมาดีกว่าอะไรเงี้ยกลับมาที่เดิมมาห้องตัวเองแล้วก็มานั่งนึกเหมือนกันอารมณ์เคล้งคลัางมันมันก็ยังเป็นอยู่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวถ้าไปภาวนาที่ที่เขาแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เราจะเป็นยังไงเนาะอะไรนึกนึกเหมือนกันนะคะพระอาจารย์แต่ก็ไม่เป็นไรก็ลองดูค่ะพระอาจารย์เมื่อไหร่จะเจอหะัก ให้มีสติให้มีสติไว้ก็แล้วกันแล้วก็จะรับเผ่าเหตุการณ์ทุกชนิดได้ไม่ตกลักวค่ะพระอาจารย์ค่ะที่ที่พระอาจารย์ที่พระอาจารย์สอนไว้อ่ะค่ะที่<ม>ที่บอกว่าทุกแบบมีปัญญาบอกเกิดเนี่ยค<ม>ือ<ม>แน่นอนเลยค่ะพระอาจารย์<ม>ถ้าไม่เจอทุกใหญ่ใหญ่จําปัญญาที่ปัญญาที่เราไม่เคยมีอ่ะค่ะพระอาจารย์<ม>สิ่งที่เราไม่เคยปรากคือมันอาจจะเคยปรากฏแต่เราไม่เคยเห็นมันเลย พอเจอความทุกข์แล้วมันก็ได้เจอเรื่องพวกนั้นแล้วลูกลูกลูกรู้สึกซาบซึ้งมากเลยค่ะในเรื่องของปัญญาที่ที่ความรู้ใหม่ๆหมที่ลูกได้รับเพิ่มเติมขึ้นจากทุกทั้งหลายเรื่องราวอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะคะพระอาจารย uh ์ uh. ค่ะแล้วก็เรื่องที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นนักปฏิบัติจะเอาแต่สุขได้ยังไงจะเอาแต่เรื่องดีๆได้งไงนะคะพระอาจารย์ uh huh. จริงเลยค่ะพระอาจารย์ เพถ้ามันไม่เกิดเรื่องแย่ๆไม่เกิดเรื่องอะไ ร, รแรงๆอะไรเงี้ยมันมันมันก็ไม่มีไม่รู้วิธีแก้ปัญหาถ้าไม่มีปัญห<ภ> า, <ภ>าให้เกิดค่ะาพระอาจารย์พระอาจารย์<ช>ค่ะรูปแบบลูกว่าลูกลูกโอเคมากเลยค่ะพระอาจารย์ไม่มีทุกข์แล้วจะไปดับทุกได้ยังไงยังไม่ต้อง<ช>ทุกไฟไม่ไม่มีไฟไหมเราจะไปดับไฟได้ยังไงต้องเผาบ้านเราดูเลย้องจุดไฟเผาบ้านเลยแล้วต้องรีบหาหาน้ําดับเพลิงมาดับมันละค่ะ ตอนที่จะดับเนี่ยค่ะพระอาจารย์สำคัญมากเลยปัญญาปัญญาสำคัญมากแล้วก็การดูลมหายใจการมีสติอันเนี้เบอร์หนึถ้าไม่มีปัญญาก็เอาสติไปก่อนพุทโธพุทโธดูลมไปทใจให้เนื่งใช่ค่ะสติเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะพระอาจารย์สําหรับลูกนะคะลูกเข้าใจมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แม้ว่ายังนั่งสมาธิอาจจะยังไม่ถึงเอกคตาลมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในระหว่างนี้แต่ลูกก็ ลูกก็ดูลมหายใจทำสติเป็นระยะระยะทำไปก่อนค่ะแต่ลูกมีความสุขแล้วค่ะพระอาจารย์มีความสุขแล้วค่ะีค่ะน้อมกราบน้อกราบค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวต้องบั่งให้คนละสองนาทีนะ้องสามนาทีจอยต่อจอยมีอะไรบ้าง15นสิบห้านาทีก็วันนั้นได้ฟังเท่กับสุสันต์มาค่ะเอาเป็นยังไงดีไหม หนูว่าดีแต่ลูกค่อยดีมันก็อีดอ่อนจนถึงช่วงงได้เออนั่งฟังแล้วนอนฟังนั่งแต่ว่ามันมันร้อนอ่ะเขาแบบร้อนแล้วก็เออของหนูมีนั่งสมาธิค่ะนั่งไปแล้วหนูรู้สึกแบบรู้สึกมันมันมาอยู่มันมันมันโล่งขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าตัวเราก็ไม่มีอะค่ะมันมันขึ้นมาแค่แวั๊เดียวแล้วแล้วมันก็ไม่เป็นอีกแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรนั่งใหม่ต่อไปมันก็เป็นอีก มันคือมันคืออันี้แล้วใช่ไหมคะรวมหรือว่าอคณิกะได้เดียวเดียวได้ปั๊บใช่ใช่ค่ะมันได้ให้แป๊บเดียวแล้วก็แล้วมันก็รู้ว่าอเราเราก็ไม่มีตัวตนในในที่นี้ไม่มีเราอะไรอย่างนี้ยค่ะมันมันขึ้นมาอย่างนั้นก็พยายามทำต่ออย่าพยายามอย่าไม่อยากก็กานนั่งไปเรื่อยๆมันจะมาไม่มาไม่สําคัญนะค่ะแต่ตอนหลังนั่งจะเห็นแต่เขาเรียกอะไรกสินเหรอคะสีสีม่วงตลอดเลยค่ะออหยูก็พยายามไม่สนใจ แล้วใช่นะเราใช้พุทโธเราใช้พุทโธด้วยค่ะถ้าพุทโธไม่ได้ก็ลมมั่งแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาโอเคเดี๋ยวฟังเทศนั่งได้ตลาดเอ่อถ้าถ้าหนูไปเองก็นั่งได้แต่รอบทีนี้ไม่ค่อยได้เพราะเขาเขาคอยมาสะกิดตลอดเวลาเลยตัวเล็กค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปใส่บาทนะคะฟังผ่าน่าธุค่ะคุณจี๊บแม่แลนด์เชิญคุณจีบ อากนมัสการค่ะพอาจารย์ท่านทหน่อยนะสองทานค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะถ้าเราเราเข้าท่านถึงคณิกาสมาธิเราจะนั่งต่อไปยังไงให้มันอยู่นิ่งๆอย่างนั้นว่างๆนั้นก็ทําต่อไปพูดโทต่อไปดูนมต่อไปก็คือโฟกัสอยู่แค่ตรงนั้นไม่ต้องไปแกว้งคิดไม่ต้องไปคิดอะไรไม่คิดต้องหยุดคิดการทําสมาธิเพื่อหยุดความคิดค่ะค่ะแล้วก็อ๋อ เมื่อกี้มีเพื่อนเอ่อยถึงกรรมใหม่อะค่ะพระอาจารย์สมมติถ้าเราเป็นกรรมใหม่แล้วเรารู้สึกว่าเราเมตตาเขาแล้วแล้วเราเมตตามากๆแล้วเราก็ทําสมาธิถึงขั้นปฏิบัติธรรมแบบมากๆเราเมตตามากๆแล้วสมมุติว่าถ้าเรามาเกิดใหม่อันนี้ไม่ทราบพระอาจารย์พอจะทราบไหมคะเราจะต้องมาเจอกรรมกับเขาอีกไหมคะ่ะเออคือมันมีสองอย่างคือการจะมาเจอไม่เจอนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใครจะกำหนดได้แล้วแต่จังหวนะ แล้วถ้าถ้าเจอกันถ้าเขายังมีอะไรค้างอยู่ในใจอยู่เขาก็เขายังกอดเราเกลียดอยู่เขาก็ยังมากอดเกลียดเราต่อไปเราต้องทําให้เขรักเราได้เราต้องทำให้เขารักเราให้ได้เราต้องทําให้เ้ารักเราให้ได้เลยใช่เขาจะได้เขาจะได้ไม่เกลียดเราวิธีก็คือทําให้ให้เขาเขาอยากจะได้อะไรก็ให้เขาเรามีความสุขอะไรเราทำตัวเป็นสันตครอสมีการเกลียดซันตะครอสลงมา แล้วถ้าเราไม่มีให้แลเราจะขออภัยนีม่มีให้อภัยไงให้อภัยให้อภัยยมสมมติว่ายมให้แต่ถ้าเขาจะเอาเงินเป็นแสนเป็นล้านยมไม่มีให้ทําไงคะแล้วเขาก็มา <ừ. S 1> กดเกียรติสมุดสมมุตินะคะสมมุตมิตไม่หรอกถ้าเขาเรื่อไม่มีเขาก็เขาก็ไม่มากดเกียรตินะคะแต่เขาเรู้อเราไม่มีจริงๆเขาก็เขาก็เขาก็ไม่ม า, าหวังที่จะเอาจากเราแล้ว อ, อืมโอเคเราจะขอให้อภัยมากกว่าเดิม ให้แล้วให้เราแต่แบบบางทีมันแบบเอ๊ะยังไม่<ห>จบ<ห>ไปแล้วก็ยอมยอมหยุดเยน็นอย่าไปต่อต้านเขาอย่าไปสู้เราแพ้เป็นพะชนะเป็นมาเข้าใจมแพ้เป็นพะนะเป็นมาทำตัวให้เป็นผู้แพ้ไว้ให้เขาชนะไปก็อยากชนะให้เขาชนะไปค่ะถึงแม้เราจะหมดตัวไปก็ก็จบไปเลยดีกว่าเนี่ยนะคะถ้าถ้าเราอยากจะตัดคําตัดการเจเ้าเวไม่ใช่ตัดคํา การตัดการจองเวรของเขากับเราเราก็ต้องทาให้เขาพอใจมันก็พอใจแล้วเขาก็จะไม่มาเอาเรื่องกับเราต่อไปแต่เราต้องไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยว่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่มีให้ควรเราก็ไม่ควรจะคิดเลยใช่ไหมคะเวลาที่เกิดแบบนี้มันถึงออจะตัดได้จริงๆได้เราก็ถือว่าใช่เกา่าใช่นี่เก่าแล้วกันเราเป็นนี่เขาแล้วพขามาถึงนี่ก็ต้องจ่าย สอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์พรอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีติตาคุตติตาสาลีมทรรือเปล่าเนี่ยค่ะเขาว่างแล้วค่ะยงก็ว่างแล้วใช่ไหวันนี้มาทานข้าวกันไหมวันดีโยมทำแมนที่บ้าน อ, อย่ก็เลยแบบเอาลูกๆมาทานข้าวกันมาเพราะว่าเดี๋ยวอาจาย์ลูกๆจะเปิดเทอแล้วค่ะ แต่ก็แม่แต่ว่าเขาจะยุ่งหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูดูอีกทีค่ะคงได้เจอกันมากขึ้นค่ะอาจารย์จน้รเ่าตอนนี้เราเข้านค่ะตอนล่างยมกับเขาก็รอกันอยู่แล้วแล้วเราก็คุยกันม่าใครได้เข้าก่อนบอกด้วยนะเพราะว่าอาจจะเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เแบบเออเออเคลินทอนเข้าแล้วโยมโยมก็เข้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเด็กค่ะอาจรรัาคันะคะกัดกสารจ้าพกูนิ คุณนึ่งสองนาทีแนะคุณนึ่งคอไปด้วยเมื่อร่สองสามนาทีได้อยู่สอามนาทีอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะพระอาจารย์มาเข้ามากระบอาจารย์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันวัดข่าวพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรวนันนยังมาฟังธรรมเลอค่ะไปฟังธรรมคะ่ะก็ก็ฝึกไปตามปกติอะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าปกติยังน้อยอยู่คะ่ะพระอาจารย์ยังทํางานนู่นนี่นั่นใช้อืม ความคิดค่อนข้างที่จะเยอะอะครับพระอาจารย์อัง้นเราเราู้ว่าเราต้องทําก็แสดงว่าเราเรายังก้าวหน้าอยู่นะค่ะค่ะพระอาจารย์พอตื่นช้าขึ้นมาก็พยายามที่จะอ่ะทําตามที่พระอาจารย์ อ, อ, อรู้สึกว่าเข้าใจค่ะดีขึ้นครับอาจารย์ช่วงที่เราเตื่นขึ้นมาเราไม่ต้องใช้ความคิดพุทโธไปเลยตื่นขึ้นมาก็พุโทโธอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับพุโทโธไปค่ะค่ะพระอาจารย์ ตรงนั้นเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครสามารถจะนันสติได้ดีที่สุดค่ะเวลาที่เราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าเราทำเราค่อยมาใช้ค่ะอตอนแรกวิ่งออกวิ่งเข้าอยู่ค่ะส่วนใปส้สวนมาอยู่เหมือนกับว่ามันยังปุ้งมันยังจับจุดไม่ได้ค่ะพระอาจารย์แต่พอไอ้นี่พุ่งไปตรงนู้ละโอเคตรงนี้เราไม่ได้คิดเรามาพูโธก็ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็ฟัจค่ะ อาจารยนะอาจารย์คุณยอดหญิงเชียงใหม่ใช่ไหมยอยหญิง ม, มากัากการดเจ้าค่ะพอาจารย์ไปนานเลแม่น ห, นหนูใครหนูมาหวัดดีพระอาจารย์ให้อาจารย์เห็นหน้าเพราะว่าจริงๆหนูแอบฟังมาตลอดค่ะอ๋ออยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามานใช่ทางภาษาอังกฤษทางภาษาไทยแล้วก็ฟังแต่ว่าหนูหนูจะถามต่อจากอาจารย์ใส่ทิปอะค่ะอืมว่าไง คือบางครั้งนะคะหนูก็รู้หนูจะเวลาจะนอนนะคะเราจะมีความรู้สึกหนึ่งที่เรารู้ว่าอ่ะจุดเนี้ยมันคือไกล้ง่วงอหะเราก็จะนอนใช่ไหมคะระหว่างที่เรานอนอยู่ค่ะเราจะรู้ว่าอันนี้มันใกลง่วงทีนีน้มีครั้งหนึ่งที่นั่งสมาธิแล้วมันมีความรู้สึกที่สงบแล้วก็มาถึงจุดที่มันคล้ายๆกับจะง่วงเหมือนที่อาจารย์ใส่คลิปบอกแต่ว่าหนูทราบว่ามันเป็นจุดที่เรียกว่าใกล้จะง่วงแต่หนูไม่ได้ง่วง มันสงบอะค่ะแต่มันเหมือนมากเลยนะผู้จารย์ที่เนี้ยหนูก็นั่งไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพอหนูออกจากสมาธิแล้วอะเออมันคาม่ผอาจารย์ออกมาจนมานั่งแม่ทําอะไรเนี้ยหนูก็นั่งทํำนั่นรงนี่อ่ะมันก็ยังมีความคามอยู่ในในถึงจุดหนึ่งเนี้ยค่ะแล้วพอจนจนผ่านไปนานมากแล้วหนู่ค่อยคุยกับแม่ว่าเออเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้เมื่อกี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้มันคือแบบมันก็หนูก็ไม่ได้ง่วงนะผูาจารย์มันแค่คาม แต่มันใกล้เคียงกับตอนที่เราใกล้จะหลับมนะั้กว่ถ้ามันเป็นสมาธิจริงๆมันไม่มง่วงอกมเติอันนี้เออหนูก็เลยสงสัยว่าเออมันคืออะไรเพราะว่าหนูมันก็เคลิ้มันก็จะหลับได้หลับเออแต่หนูได้ยินด้วยนะออว่าใครเดินไปดึงนั่นแหละกำลังจะหลับอ่เครื่องหลับอ๋อก็คือก็คือเหมือนกึ่งหลับใช่ไหมคะจ้ากึ่งหลับกึ่งเติร์นอ๋อถ้าเป็นสมาธิจริงๆก็คือไม่คนที่จะมีสภาวะนี้ใกล้เคียงออกับความง่วงใช่<อ>ใช่มันต้องแบบเนี้ยแบบที่เราคุยกันอยู่เนี้ย หล่อละถ้าเป็นแบบนี้คือของหนูมีวุ่นวายมากหนูหมือนหนูไม่มีลูกนะตั้งหนูอาจจะอารมณ์เหมอจอยที่มีขนชอบเวลาแต่มันเป็นความคิดหนูเองโอเคนะท่านี้ก่อนนะอ่ะไว้พบการถัดกันนาะสักการค่ะอ่าคนเกิดบัณเด็จจะเข้ามาไม่เกิดอ่ามาแล้วเป็ยังไงถายหน้าไม่ไายที่นี่เสียงไม่ค่อยดีเลยสัญญาณไม่ค่อยดี เราไม่ค่อยรู้เรื่องอ่าไม่เป็นไรครับเอเข้ามาแาบพระอาจ า, า, ารย์ครับโอเคให้อธิญงก่อนนะคุณเกครับมาสักการครั บ, รรรบสบายดีนะ เ, เสียงดีนะครับไม่มีคําถามครับอาจารย์กลับมาเข้ามากพาพอาจารย์ครับโอเคดีใจที่ได้พบกันครับยากตามพระอาจารย์เรื่อยครับ โอเคสาดุคุณจาคุณจาจะเปิดวีดีโอไหมจะเปิดเอามาชื่อจาใช่ไหมอ่าได้มาค่ะอาจารย์ชื่อจ่าค่ะเหมือนเสียงจ่าจ่าต้องเปิดเสียงให้มันเปิดเสียงที่มันเข้ามาโอเคไดินไหมคะได้โอเคพูดได้แล้วเชิญ หนูมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าจะสร้างกรรมต่อหรือว่าจะตัดกรรมค่ะคืออย่างเวลาที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้หนูตัดสินใจที่จะตัดกรรมไม่ทำอะไรแล้วหนูจะมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกเบียดเบียนแล้วมันก็เป็นทุกข์ค่ะแต่ว่าบางเหตุการณ์หนูก็ตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่าง แต่พอทำลงไปแล้วสุดท้ายก็เป็นทุกอยู่ดีเพราะเรากังวลว่าการกระทำของเราจะไปทำให้คนอื่นไปส่งผลกระทบกับคนอื่นคือเวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้หนูควรจะพิจารณาอย่างไรดีคะเมื่อไหร่<ๆ>จะตัดหยุดได้ดีที่สุดยอมหยุดเย็นใช้สูตรสามยอ อ, อย่างจไหมยอมหยุดแล้วก็เย็นแพ้เป็นพระชนะเป็นมาก็คือถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองถูกเบียดเบียนก็แค่ ก็โทรไปางานพักใช่ไหก็ใช้กรร ม, มไปก็แล้วกันอค่ะื <Okay. S 2> ใช้อุเบขารับรับกับกรรมไปว่าเราเคยเไปทํำข้อมาก่อนตอนนี้ก็เลยมาทําเราแต่เราจะไม่ตอบโต้เราจะไม่สร้างกรรมใหม่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วในกรณีเช่นถ้าแบบมีใครทําอะไรที่ไม่ถูกตามกรอบที่ตั้งไว้เช่นอย่างในเรื่องของการงานอคือมารยาทของการทํางานร่วมกันหรือตามกฎหมายอะไรอย่างเนี้ยค่ะคือแปลว่า เราก็ทับคือเราก็ควรจะปล่อยไปทั้งทงที่มันก็ไม่ถูกต้องตามกฎที่ตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเหคะถ้าเราก็ล้ถ้าเราถือกฎแห่งกรรมเั็นใหญ่ล้วก็ปล่อยไปอ <Okay. S 1> ืกฎทางโลกมันมันไม่มันไม่ยิ่งใหญ่กว่ากฎทางกรรมกฎแห่งกรรมพอ เ, <Okay. S 1> เราไปไปไปตำหนิเขาไปว่าเขาเดี๋ยวเขาก็มาอาฆาตพยาบาทเราอลยอย่างถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ ปล่อยทางโลกไปนะกดกดทางโลกปล่อยมันไปมันก็แค่แค่แค่อยู่แล้วก็ตายไปมันก็จบใช่ไหมแต่กดแห่งกรรมนี่มันตามเราข้ามภพข้ามชาติต่อไปอืมโอเคค่ะโอเคเข้าประคุณนะ ค, คะอาจารย์มีท่านี้นะเท่านี้ค่ะมันติดที่ใจตานแรงหนูก็ว่าจะไม่ถามแล้วหนูกบเดี๋ยวทํางานไม่ได้ทำไม่ได้เพือถ้าบางอย่างมันเป็นหน้าที่เราก็ต้องเลือกว่ามันจำเป็นไหม บาทีถ้าเป็นหน้าที่ต้องพูดต้องบอกก็อบอกไปแต่ต้องยอมรับผลว่าเมื่ออาจจะมีกรรมตามมาถ้าเราไม่อยากจะมีกรรมก็เฉยไปยอมตกงานยอมถูกเขาได้ออกเพราะเราไม่ทาหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์โอเคเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์โอเคนะสาธุหมดแล้วนี่ก็ไปที่คำถามทางเฟซบ o o กต่าเลย ค, คุณปานเชิญ กราบหลวงพ่อครับมีหนึ่งคำถามจากทาง facebook ครับว่าอะไรคำถามจากคุณโคช้ชเคยมีเพื่อนที่สนิทกันให้คําปรึกษาเราเป็นห่วงเป็นใยเป็นที่พึ่งทางใจคอยสนทนาธรรมให้เราวันหนึ่งเขาก็ปิดกั้นเราทุกช่องทางเพื่อยุติความสัมพันธ์ครับความเป็นเพื่อนก็ยุติลงผมมีความกระวนกระวายใจ ควรทําอย่างไรครับขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับอก็ถ้าก็ถ้าก็ไม่ต้องการจะมีความสมัมพันธ์กับเราเราก็ต้องหยุดเลยก็ต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปไม่เห็นหน่าจะต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรให้ดูว่ามันกฎของตายรักทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเจริญแล้ว ก, ก็มีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็มีดับไปความสมัมพันธ์นี้ก็เป็นอยู่ภายใต้กฎตายรักเหมือนกัน แล้วก็เป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เมื่อเขาไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็เราก็หยุดเท่านั้นเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรใช้เฉยๆไปวันดีคกนดีเขาอาจจะเปลี่ยนกลับมาใหม่ก็ได้ไม่แน่บางทีช่วงนี้เขาอาจจะไม่พร้อมหรือไม่อยากจะยุ่งกับเราก็ได้ S <S อีกสัตว์เลยงนึเวลาเปลี่ยนไปอารมณ์เขเปลี่ยนไปเขาอาจอยากจะกลับมามีความสัมพันธ์กับเราเองก็ได้สำหรับเราแล้วก็เฉยเฉยไปก็แล้วกันปล่อยให้เขาทําไปตามอารมณ์ของเขาก็าาอยากจะมีความสัมพันธ์กับเราก็มีก็ได้เราพร้อมเสมอเมื่อเขาไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับเราเราก็พร้อมเสมอเรารับได้ทุกรูปแบบนี่คือนี่คื อ, คอการปฏิบัติทำต้องเป็นอย่างนี้นะอนะ่ เรายอมรับกับทุกสภาพให้ได้ไม่ว่าจะจดีหรือจะชั่วเมื่อมันมาก็ต้องรับมันไปเฉยๆไปโอเคนะหมดแล้วใช่ไหมครับถามเดียวหมดแล้วครับโอเคก็พอดีจบเวลาพอดีครบเวลาเป๊ะเลยสองทุกคือก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิ